ก็เจริญพรญาติโยมผู้สนใจในธรรมทั้งหลายเวลาพูดถึงธรรมะเนี่ยครูบาอาจารย์หลายท่านก็จะย้ำว่าธรรมะเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงกับการทำนะธรรมะเนี่ยถ้าฟังอย่างเดียวแล้วไม่ทำเนี่ย มันก็ไม่เกิดประโยชน์หรืออ่านนะแต่ไม่ทำนีนการทำเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในในพุทธศาสนาและทำะที่ทางพุทธศาสนาหรือครูบาอาจารย์เน้นก็เช่นว่าทำดีทำความเพีย อันนี้ขาดไม่ได้ทำดีนี่ก็อารมถึงการรักษาศีลความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้ทานแต่ว่านอกจากคำว่าทำแล้วเนี่ยมันยังมีคำหนึ่งยังมีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนาแล้วก็แยกไม่ออกจาก ธรรมะนะอันนี้ก็คือคำว่าเห็นนะเห็นอย่างง่ายๆเนี่ยอะไรยมมีองค์แปดเนี่ยข้อแรกคือเห็นชอบเนะี่ยความเห็นชอบสัมมทิทกิการเห็นธรรมนะยังมีบทสวดมน์นะ ชื่อบทสวดชื่อว่าพัตเตกัตตคถาเมื่ อ, ททอใดบุคคลเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงันคอนแคลงเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้นพระเจ้าสอนแะให้ต้องหมั่นเห็นธรรมเห็นธรรมในที่นี้เนี่ยมีความหมายกว้างนะ ซึ่งรวมไปถึงการเห็นสัจธรรมอย่างในบทสวดที่ชื่อว่าติลคณาทิคาถาเนี่ยก็จะมีข้อความบอกว่าเนียผู้ใดเห็นทำผู้ใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหวดเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นหน้าตาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง นั่นหลกเป็นทางของพระนิพพานเห็นเหมือนกันนะไอ้คำว่าเห็นเนี่ยนะมันเป็นคำที่สำคัญในพุทธศาสนาโดยเพราะการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่งผลทุกข์เพราะสรงเห็นแจ้งในสัจธรรมไอนอกจากคำว่าทำแล้วเนี่ยนะคำว่าเห็นเนี่ย ก็เป็นหัวใจหนึ่งนะของธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาแต่เห็นในที่นี้เนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตานะมันเห็นด้วยใจใจในที่นี้เนี่ยพูดให้จอดจงนะก็คือเห็นด้วยสติเนะบื้องต้นเลยนะเห็นด้วยสติ แล้วการเห็นด้วยสตินี้ก็จะพัฒนาไปสู่การเห็นด้วยปัญญาอย่างที่ได้กล่าวเมือ่อเมื่อสักครู่เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่านะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งวมวลทุก ท, ทํนานักบวชปบบอนัตตาเขาไม่เห็นนี่ทําไมมันสําคัญนะ โอเคนะความเห็นชอบเนี่ยเราก็รู้นะว่ามันสําคัญเพราะว่าถ้าเราเห็นผิดซะอย่างีเนี่ยการที่จะทําดีรักษาเสียงก็เป็นไปไม่ได้เช่นเห็นว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีหรอกนะเห็นว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงหรอกเห็นว่าบุญและบาปไม่มีจริงหรอกถ้าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยยากนะที่จะทําความดีเพราะว่า เมื่อทําดีแล้วไม่ได้ดีจะทําดีไปทํำไมนะกิเลสมันก็อยากจะชักชวนให้เราทําชั่วอยู่แล้วนะไปเบียดเบียนพูกอื่นอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเราเห็นว่าเนี่ยทําดีแล้วไม่ได้ดีก็มันก็โนไปสู่การทําชั่วได้ง่ายแต่เห็นที่อาจารมาพูดมาสักครู่เนี่ยนะเห็นด้วยสตินะ มันมากไปกว่าการมีความเห็นชอบนะความเห็นชอบเนี่ยสมาธิถือยังเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความคิดอาศัยเหตุผลนะเช่นพิจารณาจากคนที่ทำชั่วแล้วเนี่ยไม่เคยมีใครได้ดบได้ดีเลยเนี่ยส่วนคนที่มีความสุขเนี่ยพเพราะก็าทำดีเนี่ยเราพิจารณาเราอาจจะฟังเรื่องราวอาจจะเห็นจากประสบการณ์อาจจะได้ยินครูบาอาจารย์พูด มีเห็นมีผลให้เราเห็นคล้อยตามสมาธิเนี่ยสำหรับกุตุชนมันเป็นเรื่องของความคิดเห็นนะมันมีความคิดเห็นเป็นพื้นฐานแต่เห็นด้วยสติเนี่ยมันไม่ใช่คิดเอานะมันไม่ใช่คิดเอามันเห็นเห็นด้วยใจนะ แล้วการเห็นแบบนี้เนี่ยมันสำคัญอย่างไรมันมีประโยชน์อย่างไรมันมีประโยชน์นะในเบื้องต้นคือว่า <c oughs> มันทำให้เราไม่ลืมเนะื้อลืมตัวเ <c oughs> พราะคนล้อเนี่ยถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ต่างจาก คนที่สลบสไลดคนสลบสไลดนี่เขาไม่มีสติแน่นอนแต่ถึงแม้จะไม่สลบสไลด ย, ยังมีตามองเห็นหูยังได้ยินแต่ถ้าไม่มีสตินะก็อาจจะทำอะไรทีดผิดถูกถูเป็นผลเสียกับตัวเองขับรถไม่มีสติก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุลงบันไดไม่มีสติก็อาจจะ ถึงกับพิกวรพิการเพราะตกบนนันไดบางคนนึกกับตายเดินในห้องน้าไม่มีสติอาจจะล้มหัวฟาดพื้นนะเป็นอำมพึกอำมาพาศแต่ว่าสติที่อาจมาพูดถึงเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นสติธรรมดาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหมายถึงสติที่ทำให้เราเห็นรู้ทันความคิดและอารมณ์ต่างๆได้ คนเราเนี่ยนะแม้จะสุกกายเนี่ยแต่ถ้าถูกอารมณ์ครอมงำโดยเพราะอารมณ์ที่เป็นอารมณ์อกุศลหรืออารมณ์ฝ่ายต่า <c oughs> ก็จะไม่มีความสุขได้เลยนะอยู่ในโรงแรมอยู่ในเครือหารหรูนะกินอาหารอร่อยแต่ว่าใจเนี่ยไปห่วงลูกใจเนี่ยเคืองแค้นเพื่อนที่ เขียนข้อความด่าเราทางเฟซบ o o กไงนะอาหารอร่อยเพลงเพราะยังไงก็ไม่มีความสุขนะเพราะอะไรเพราะถูกความโกรธครอบงำเพราะถูกความคุณเคืองเล่นงานหรือบางทีอาจจะทราบข่าวว่าคนรักนะเพื่อนรักเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตใกใจเสียใจ เศร้าใจในเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะกินอาหารที่อร่อยแค่ไหนแม้จะฟังเพลงที่ไพเราะ ย, ยังไงหรือแม้จะไปอยู่ในสถานที่ที่สวยสงนุางามเป็นอย่างเช่นนักตกในอากาแร่อุทยานอย่างแกรนแคนยอนโยสมิตติเนี่ยนะมันก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าใจถูกอารมณ์ที่เป็นอกุศลคร่อมงำ ไม่ว่ามันจะเป็นความเศร้าความโกรธหรือความทอ้อแท้รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าทําอะไรก็ล้มเหลวไม่มีใครครบค้าสมาคมนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยใจมันก็ทอ้อแท้หดหูแม้จะอยู่ในคืนหัสยังไงก็ไม่มีความสุขคนเราทุกเนี่ยนะ ความทุกใจของเราเนี่ยมันล้แล้วแต่เกิดเมื่อถูกอารมณ์ที่เป็นอกุศลครอบงาแต่เมื่อใดที่เรามีสติรู้ตัวเมื่อใดที่เรารู้ทันอารมณ์และความคิดที่นาไปสู่อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเราจะคืนสู่ความปกติ หรือว่าเติมคำว่าสุดอีกคำหนึ่งก็ได้คืนสู่ความปกติสุดอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยอมทั้งความคิดทั้งปวงเนี่ยไม่ว่ามันจะมีาอานาจครอบงาจิตเราอย่างไรเนี่ยแต่จุดอ่อนของมันเนี่ยก็คือมันพ้แพ้ต่อ การเห็นด้วยสติมีสติเห็นมันเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็ล่าถอยไปเหมือนกับโจรที่แอบเข้ามาในบ้านนะหลายคนไปปล่อยให้โจรเข้ามายึดครองบ้านเลยนะก็คือปล่อยให้อารมณ์เนี่ยเข้ามาครอบงำจิตแต่โจรเนี่ยนะพอ มันศบตาเจ้าของบ้านเนี่ยหรือมันพบว่ามีคนรู้ว่ามันเข้ามาเนี่ยมันก็จะล่าถอยไป เ, ยเอาลมทั้งปวงเนี่ยนะพอมีสติรู้ทันเนี่ยหรือพอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันหายเลยนะโยมาจะาตอนนี้ ก, กาลังใจลอยอยู่นะใจลอยไปโน่นใจลอยไปนีนะ่สมมุตินะ เกิดมีเสียงัวเราะดังขึ้นมาในห้องประชุมเนี่ยใจที่มันล่องลอยไปที่บ้านบัง่งไปที่ทำ ง, งานบ้างไปหาลูกบ้างนะไปที่บราซิลมัง่งนะมันกลับมาเลยนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอรู้ตัวปุ๊บนะไอ้ความคิดต่างๆเนะี่ยที่พาเราลหลงไหลไปนะมันหายไปเลย หรือตอนนั้นอาจกํกำลังขุนมัวอาจกลังโกรธอยู่เพราะว่าคิดไปถึงคนที่ก็ต่อว่าด่าทอาเราคิดถึงงานที่มันมันไม่เสร็จมันค้างคาเกิดความวิตกกังวลแต่พอมีคนทักคนเรียกชื่อมีคนมาแตะแขนแต่ไหลจิตมันกลับมาจิตมันได้สติมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไอ้ความคิดอารมณ์ต่างๆนี่นะที่ มันครอมงามจิต น, นะมันหลุดไปเลยนะความโกรัก็เหมือนกันนะมีสติเมื่อไหร่เนี่ยโกรัแค่ไหนนะมันหล่ทหายไปเลยมีผู้ปคกครองคนหนึ่งเป็นนายทหารนะตอนเย็นไปรับลูก ลูกเนี่ยอยู่โรงเรียนชื่อดังนะชานเมืองโรงเรียนนี้เนี่ยก็จะมีผู้ปกครองที่ร้วนแต่มีฐานะก็เอารถมารับเพราะน่าสีที่เกิดขึ้นคือว่าตอนเย็นเนี่ยรถก็จะติดกันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแถเลยนะเป็นแถวยาวเหยียดเลยหน้าโรงเรียนและปัญหาตามมาอย่างงคือที่จอดรถมันน้อย ผู้ปกครองวันนี้ซื่อเป็นนายทหารเนี่ยนะแกก็พยายามซิกแซกรถเนี่ยนะล ง, ล ง, ลงทางทางงเรียนเนี่ยนะเขาให้ขับรถบันเวต้องใช้ต้องอ้อมต้องต้องอ้อมวงเวียนก่อนแล้วถึงไปหาที่จอดได้แต่ผู้ปกครองวันนี้เนี่ยนะเห็นที่จอดรถอยู่ตรงนี้ใกล้ๆถ้าอ้อมวงเวียนเนี่ย ก็จะไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดเข้าไปเลยนะเสียบเข้าไปตรงที่จอดรถพอดีผิดกฎแต่ว่าได้ที่จอดรถแกก็ดีใจแต่ว่ายังไม่ทันจะลงจากรถก็มีรถของผู้ปกครองอีกคันนึ่งเนี่ยซึ่งขัดลถตามกฎของโรงเรียนแต่ก็เล็งที่จอดรถนั้นไว้แล้วแต่ว่าพอที่จอดรถถูกแยกผู้ปกครองนั้นก็ไม่พอใจ คนที่สองกนนะก็จอดรถลงไปต่อว่าผู้ปกครองที่เป็นนายทหารนายทหารคนนั้นเนี่ยนะคงอาจจะยุตินายพลด้วยซ้ําหรือนายพันทันเอกถูกต่อว่าก็ไม่พอใจก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ย <c oughs> คุณลูกให้ผมเป็นใครประโยชน์นี่เรามักจะได้ยินบ่อยนะลูกมห้กูเป็นใครรู้ให้กูเป็นลูกใครหรือพ่อใครอะไรเงี้ยนะผู้ปครองนั้นกะ็นบอกผมไม่สนใจคุณทําผิดกฎ ทำอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วแกก็เดินออกไปหาทหารต้งโกรธมากเลยจะมีปืนอยู่ในรถคว้าปืนออกมาลงจากรถแล้วก็เดินตามผู้ปกครองคนแรกไปตามไปทำไมฮนะตามไปเก็บหรือไปยินบังเอิญแถวนั้นเนี่ยมันมีพนัก ง, งานโรงเรียนซึ่ง เป็นคนที่มีน้ําใจแล้วแกก็เป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบต่รู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นเกิดเรื่องแต่จะไปห้ามอย่างไรนะเพราะว่าพลเมืองดีก็เจ็บตัวหรือตายมานักต่อ น, นักแล้วก็ไปห้ามไม่ให้มีเหตุร้ายไปห้ามคนที่กาลังโกรธไม่ให้ทำร้าย จะไปถึงนะเจยวก็เดินไปช้าๆพอถึงนาฐานก็ท่าก็แตะมือคุณพ่อครับคุณพ่อครับคุณพ่อมารับลูกไม่ใช่หรือครับพอดิ้นคำว่าลูกนี่ได้สติเลยนะความโกรธเนี่ยนะที่มันพุ่งพล่านจะถึงอาจจะไปฆ่าคนแปลกหน้าอีกคนหนึ่งนะมันหายไปเลยนะ พอแกได้สตินะรู้ตัวความโกรธหายแกกลับไปที่รถเลยเอาปืนเก็บคือคนเราเวลาเจอความโกรธนะเรามักจะต้องกดต้องข่มแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีกว่านัคือการที่มีสติรู้ทันผู้ปกครองคนนี้เนี่ยในทางนี้เนี่ยความโกรธมันหายไปเลยนะเพราะรู้ตัว พอได้สติแต่การได้สติของผู้ปกครองนี้เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากมีคนมาทักนะแต่มันก็มีผลนะอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ชี้เลยนะคนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะมีอารมณ์ใดรุนที่รุนแรงแค่ไหนเนี่ยพอมีสติพอรู้ทันหรือว่าพอเห็นเห็นความโกรธเนี่ยนะมันความโกรธมันหายไปเนยอย์มาจะบอกว่าทุกอารมณ์เนี่ย นะมันกลัวถูกรู้ทันนะมันจะทนกับการถูกรู้ทันไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ต่างจากมาร น, นะ ในพระไตปรปิฎกเนี่ยมันจะมีมันจะมีเล่มหนึ่งเนี่ยที่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาร น, นะเป็นภาคใหญ่เราชื่อมารลสังยุทธสังยุทนี้ทำไมถึงว่าเป็นภาคนะว่าด้วยมารมารเนี่ยนะมันจะไม่ชอบคนที่ทําความเพียนโดยเพราะทําความเพียนเพื่อการพ้นทุกข์นะ เพื่อการเป็นอิสระจากการมาสุขนะเพราะมาเนี่ยนะอยากจะมีอำนาจเหนือผู้คนตราบใดที่คนเนี่ยยั ง, ลงหลงไหลในการมาสุขนะก็จะยังอยู่ในอำนาจของมานตอนนี้มานี่นะจะหาทางที่จัดการเรื่องความคนที่ทำความเพียง จจะเป็นพระเถระพระเถรีบางทีก็มาขู่ให้กลัวบางทีก็มาหลอกให้หลงมาชวนให้เลิกทำความเพียรมาเนี่ยเคยมาชวนผู้เจ้าวเนี่ยว่าตอนที่ผู้เจ้ากำลังทําความเพียรหรือว่าเดี๋ยวไม่บอกผู้เจ้านะกำลังทําความเพียรบอกว่าท่านเนะี่ยมาทำทำไมนะบุญที่ท่านสะสมมาก็มากอยู่แล้วนะกลับไปนะกลับไป ไปวังดีกว่านะเพราะว่าบุญที่ทาเนี่ยนะสะสมมาเยอะแล้วพรนะวิจารก็ตอบมาว่าเราไม่ได้มุ่งสะสมบุญแต่มุ่งที่จะทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างล้ว่ามาเนี่ยจะหาทางล่อล อ, อกคูทำให้เขว พระเทวีบางท่านกำลังทำความเพียนอยู่ไมยก็มาบอกว่าท่านเป็นผู้หญิงปัญญาน้อยนิดเนี่ยนะจะทาอะไรได้วันะงทีเขาปราโมทาเพื่อให้ท้อวันะงที่ก็ขู่ให้กลัวเช่นแปลงตัวเป็นเสือเป็นช้างวังทีก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวมีคนหนึงพระรู่หนึ่งชื่อพระสมิทธิทนะี่ทำความเพียนอยู่ก็เกิดแผนดินไหวพระสมิทธิกลัว ตกใจเลิกทำความเพียรกลับไปเชตวันผู้เจ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอรู้ความจริงพอรู้เกิดอะไรขึ้นพู้เจ้าบอกว่าอันนี้เป็นฝีมือของมารให้กลับไปทำความเพียรเหมือนเดิมแล้วถ้ามีแผ่นดินไหวให้พูดขึ้นมาเลยว่ามารผู้ใจบาปเรารู้จักท่านท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่าน พระสมิทธิก็เชื่อนะไปทำความเพียรมีแผ่นดินไหวคราวนี้รวบรวมสติไม่กลัวแล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่ามานี่นะพอรูว่ามีคนรู้ทันนะมานจะเสียใจก็จะเริ่มพึงว่าพระสมิทธิ์ที่รู้จักเราแล้วพระสมิทธิ์ที่รู้จักแล้วเราแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วก็ถอยไปไหนะวิธีกำจัดมาวิธีรับมือกับมานี่ ซึ่งมีอนุภาพมาเนี่ยไม่ใช่การเอาฤทธ์ไปจัดการกับมารเพราะยังไงเนี่ยฤทธ์เนี่ยสู้มารไม่ได้แต่มารมีจุดอ่อนนะคือมันไม่มารเนี่ยกลัวการรู้ทันมีคราวนึงนะไปสิงเข้าท้องพระโมคคัลลานะขะพระโมคคัลลานั้นนี่ท่านเป็นพระอาภรั์นะมารนี่ก็ยังไม่ไม่ละเว้นเลยนะหลังควานพระโมคคัลลานั้นที่ท่านมีฤทธิ์มากนะ ทำยังไงก็ไม่มานก็ไม่ไปทีแรกท่านก็ไม่ก็จะเกิดอะไรขึ้นนะพอรู้ว่าโอ้นี้เป็นฝีมือมานะก็พูดเลยมานเรารู้จักท่านแล้ว <c oughs> นะท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักแค่นี้แล้วนะมานยอมออกเลยเพราะมานกลัวการรู้ทันนะมีกานรนี่ ผู้เจา้าเนี่ยเสด็จไปไปสอนเท้ามหาพรหมแล้วก็มีการโต้เถียงกันเนะถียงไม่ได้มานี่เข้าสินอะยู่นะสินขครสินเท้ามหาพรหมนะแล้วก็ว่าผู้เจ้าผู้เจ้าบอกมานผู้ใจบาปเรารู้จักท่านแล้วท่านอยา่าเชื่อเราไม่รู้จักท่านมานยอมเลยนะแล้วก็บ่นว่าพระตถาคตรู้จักเราแล้วพระตถาคตรู้จักเราแล้วแล้วก็ค่อยถอยไป มาในที่นี้เนี่ยในในพระไตบปิฎกเนี้ยท่านหมายถึงเทวปุตตมารคือมารที่เป็นเทวดานในสวรรค์ น, นะชั้นการอวจรนมานี่อยู่ในดูบนสวรรค์นนะแต่ว่ามามีหลายแบบนะนอกจากเทวปุตตมานแล้วก็กิเลสมานกิเลสมานนี่นะพวกเราเจอประจำ และพอกิเลสนี่แหละที่ทำให้เราโกรวทำให้เรากลัวทำให้เราหวั่นไหวทำให้เราท้อแท้ทำให้เราเศร้าโศกแต่อารมณ์เหล่านี้เนี่ยก็เช่นเดียวกับมานมันกลัวการถูกรู้ทันเราจะรู้ทันอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างไรด้วยสติสติมันทำให้เราเห็นอารมณ์เหล่านั้น เพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะให้ใจสงบนะเราต้องมันเจริญสติให้รู้ทันอารมณ์เหล่านั้นแล้วอารมณ์พวกนี้เนี่ยนะมันจะล่าถอยไปแค่เห็นเฉยๆนะหลวงพว่อหมเฉียนเนี่ยท่านย้านะว่าเห็นอย่าเข้ยไปเป็ น, ปนหลวงพว่ออมเฉียนท่านจะเน้น ตอนนปฏิบัติสั้นๆเข้าใจง่ายการเจริญสติเนี่ยหัวใจของมันอยู่ที่การเห็นไม่ข้อไปเป็นเห็นความโกรธอย่าเป็นผู้โกรธเห็นความทุกข์อย่าเป็นผู้ทุกข์เห็นความปวดอย่าเป็นผู้ปวดเห็นความเมื่อยอย่าเป็นผู้เมื่อยนะแค่นี้แหละนะมันช่วยได้เยอะแล้ว เวลาปวดเวลาเมื่อยเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่เห็นแล้วนะส่วนใหญ่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยไปแล้วเข้าไปเข้าไปในเวทนาพอเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยแล้วใจมันก็จะบ่นแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะหลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านก็จะบอกว่าเนี่ย เ, เห็นมันนะอย่าเข้าไปเป็นและเห็นในที่นี้เนี่ยคือเห็นเฉยๆหรือท่านใช้คำว่ารู้ซื่อ รู้สื่ อ, อไม่ต้องไปผักสายมันแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไปคล้อยตามมันรู้สื่อนี่เป็นทางสายกลางคนส่วนใหญ่เนี่ยพอมีความคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้นนะก็จะคล้อยไหลไปตามความคิดหรือไม่ก็ปรุงไปตามอารมณ์หรือ อีกอันหนึ่งคือพอเริ่มปฏิบัติธรรมก็เริ่มจะใช้วิธีตรงข้ามสุดตรงอีกทางก็คือกดขม่มห้ามผักใสไม่ใช่นะเพราะยิ่งทำเนี่ยมันก็ยิ่งลังควานมีความคิดไดเกิดขึ้นไปกดไปข่มมันนะมันยิ่งผุดยิ่งโผล่มีความโผล่เกิดขึ้นนะยิ่งไปกดข่มมันนะมันก็ยิ่งรังควานเรา อยากนอนหลับนะพยายามกดความคิดไม่ให้มันฟุ้งซ่านจะได้หลับสักทีผลเป็นยังไงยิ่งฟุ้งซ่านก็ไปนอนไม่หลับทางสายการคือแค่เห็นเฉยๆแค่รู้ซื่อๆนะไม่ต้องทำอะไรกับมันอย่างพระสมิทธิหรือว่าพระโมคคัลนะไม่ทำอะไรเลยแค่รู้ทั น, นมันก็ไปมาก็ไปอารมณ์เหมือนกัน ในการรู้ซื่อเนี่ยสำคัญนะเห็นเฉยเฉยไม่ต้องไปผักสายมันคนเราเนี่ยทุกเนี่ยนะเหตุผลสำคัญก็เพราะว่าเวลาเกิดผัสสะเวลามีเสียงที่ไม่ถูกใจเราก็ไปผักสายเสียงนั้นนะ และเราก็ทุกเองพอทุกนะพอห ง, งุดหงิดนะเราก็มักจะไปโทษเสียงนั้นแต่ที่จริงเนี่ยมันไป็นหใจเราใจเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆแต่ว่ามันมีอาการไปผักสสยเสียงนั้นเมื่อส0สิปีก่อนหลวงพ่ชาเนี่ยท่านได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษอาจารย์สุมเมทรเข้าไปด้วย นั่นคือจุดเริ่มต้นของวัดจิตป่าจิตวิเวกอมารวดีนะซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อชากับคณะก็เจ้าภาก็ให้พักในวิหารกลางกรุงลอนดอนวิหารแฮมสเตดกิจวัตรนะประจำไว้คือตอนข้ามก็มีการสวดมนต์นั่งสมาธิและแสดงธรรมบังเอิญวิหารเนี่ย นะตรงข้ามเนี่ยเป็นผับเป็นบาร์นะอังกฤษนี่มีผับบาร์เยอะแล้วก็เย็นวันนั้นเนี่ยคงเป็นเย็นวันศุกร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนไปเที่ยวแล้วก็มีดนตรีสมัยนั้นเนี่ยดิสโกโ้เริ่มแพร่หลายแลเยเสียงดังกระหึ่มนเลยนดังมาจนถึงวิหารที่พระระยวงกำลังนั่งสมาธิอาจารย์สุเ ม, มโทโธ บ, บอกว่า ตอนนั้นเนี่ยนั่งไม่เป็นสุขเลยไอเสียงดังยังไม่เท่าไหร่นะมันยังร้องเพลงไม่เพาะร้องเพยงไม่ถูกนะเพียนอีกนะแต่อาจารยชานะหลวงพ่อพชาท่านนั่งนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นสงบพอนั่งเสร็จนะสิสินาทีจบเจบ้าภาพชาวอังกฤษก็มาหาหลวงพ่อชา บอกขอโทษขอโทษครับนะขอโทษเรื่องอะไรขอโทษที่มีเสียงมารบกวนนึงพราชาบอกว่าโยมมไปคิดว่าเสียงมารบกวนโยมที่จริงอะโยไมไปรบกวนเสียงต่างหากเข้าใจไหมไอ้ที่โยมทุกเนี่ยโยมมีเพราะโยมไปรบกวนเสียงไปรบกวนเสียงคือไปต่อร่างต่อเทียงกับเสียงไปผักสายเสียงนะั้นเสียงมันกระทบหูงก็ ถ้าไม่ไปทะเลาะ ก, กับเสียงมันก็ไม่มีอะไรมันก็ก็แค่ดังนะไอ้ที่โยมทุกกันนะไม่ใช่เพราะเสียงแต่เพราะไปผักสายเสียงเวลามีเสียงโทรศัพท์ดังในห้องเนี่ยนะหรือเกิดมีเสียงคนพูดหรือเกิดมีเสียงได้นเสียงเด็กเนะเราสังเกตไหมถ้าเราไปจดจ่อที่เสียงนั้นแล้วเราไปไป อคิดในใจเมื่อไหร่เสียงมั้นจะหยุดเสียงนั้นจะเลิกนะทำไมมาเปิดโทรศัพท์ในเวลานี้ออพอคิดแบบนี้เข้านะใจทุกเลยเพราะว่าไปผักใสไปเป็นปฏิปักษ์กับเสียงนั้นแต่ถ้ามาดูใจนะเห็นใจที่มันกำลังบุ่นใจที่กําำลังผักใสเห็นด้วยสตินะทำให้เป็นปกติ จิตมันเป็นปกติเมื่อไหร่เสียงทำอะไรไม่ได้นะเสียงมันทำอะไรไม่ได้เนะี่ยเ่เราเคยไปพุทธคยาหรือเปล่าหลายคนไปนะโคนเยอะนะใครที่ไปหาความสงบนะที่พุทธคยาเนะี่ไม่พบะนะยกเว้นไปตอนเช้าตรู เสียงดังมากเลยไม่ดังเสียงครอบเสียงเพลงนะคือดังพรเสียงสดมนหลายภาษามากเลยคนไทยเนี่ยแต่ละคณะก็ไปก็เวล า, าเดินรอบทักษิณาวัด ก, ก็จะสวดสวดธรรมดาไม่พอต้องสวดโดยใช้ใหม่เ็คนะิดว่าคิดว่าถ้าดังเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นเนาะ คณะเดียวนะมันมีกี่คณะมีคนไทยนะร่างกายผอาหมที่เบรอย่างเงี้ยแต่เราสังเกตว่มามีคนเป็นศิษย์นะนั่งสงบอยู่รอบๆทำสมาธิเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีคนเป็นศิษย์นะนั่งอยู่รอบๆพุทธคุยาเนี่ยใจดีเนียถามว่าเขาไม่ได้ยินเหรอเขาได้ยินแต่ทำไมเขาสงบนะ เพรใจเขาเนี่ยไม่ได้ทะเลาะ ก, กับเสียงนั้นทําไมไม่ทะเลาะ ก, กับเสียง เ, ยเพราะรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงแห่งศรัทธาเป็นเสียงแห่ ง, งแห่ ง, หงความเคารพในพระธรรมนัดไกรพอรู้เป็นเสียงแบบนี้เนี่ยจิตมันก็เลยไม่ไปทะเลาะจิตมันไ ม, ม่จิดยอมรับบางทีจิตเกิดความชื่นชมด้วยเสียงดังแต่ใจสงบไม่หงุนงิดเพราะว่าไม่ไปต่อระต่อเทียงกับเสียงนั้น มันไม่อยู่ที่ว่าเดซิเบลกีเ่เดซิเบลเสียงนะแต่ถ้าเกิดว่าไปนั่งอยู่ริมถนนไปนั่งอยู่ในตลาดสดเนี่ยแม้เสียงจะดังน้อยกว่านะอาตมาเชื่อว่าหลายคนก็จะหมหนิดนั่งสมาธิไม่ได้เลยเพราะอะไรคะเนี่ยเพราะใจไปทะเลาะ ก, กับเสียงเสียงแม่ค้าเสียงพ่อค้าเสียงหมาเห่ายเงี้ยไปทะเลาะ ก, กับเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้ซื่อๆนะแค่แค่เห็นเฉยๆนี่นะ มันสงบเลยนะแล้วอย่างที่ธรรมาบอกธรรมชาติของอารมณ์เหล่านี้พอมาถูกเห็นเมื่อไรนะหร่นะมันจะหมดที่สงนะไม่ว่าจะเป็นความกลัวความเศร้านี่นะโอ้ถ้าเราไม่มีสติเมื่อไหร่นะเราเข้าไปในอารมณ์นะั้นนะโอ้มันได้งานาเราหนักเลยบางค น, วนเลลวลาโกรธมากมากนี่นะจะเป็นโรคหัวใจเอานะบางคนเศร้าจนหดถู และยิ่งเข้าไปในลมนะสังเกตไหมอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะยิ่งฉุดจิตเราให้ใ ห, ให้ดำหน่งยิ่งโกรธหนักเข้ายิ่งเศร้าหนักเข้าเวลาเศร้านี่นะโดยเพพาะสูญเสียคนรักหรือว่าอกหักเนี่ยเพื่อนมาชวนไปไหนไม่ไปนะ จะขอนั่งเศร้ามันหวงแขงความเศร้ามากเลยความเศร้ามันสั่งให้จิตเนี่ยนะให้ดำดิ่งลงไปมันสั่งให้เราปกป้องรักษาความเศร้าเอาไว้นะมีเพื่อตมาณนะเมื่อ20ปีที่เราสมัยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตได้จดหมายจากเพื่อนชายที่เธอมีใจให้แต่เขาไม่มีใจกับเธอเนี่ยเธอก็เศร้าพอดีมีเพื่อนฝูงเดินมา มาที่บ้านเธอบ้านปิดก็เลยกดกริง่งแล้วก็ตะโกนเรียก้ยชวนไปเที่ยวเพียงคนนั้นเนี่ยนะพอที่เพื่อนมันชวนไปเที่ยวนั้นเกลฉุนเลยนะนึกในใจเวลาสุขก็ไม่สมหวงังเวลาจะเศร้าก็ายังมีคนมารบกวนอีูนะ่เวลาเศร้ า, ามีไม่ใหญ่คนมารบกวนนะ้ะกูจะเศร้ากูเนี่ยนะเนี่ยความเศร้าเนี่ยมันบังคับมันเนี่ยมันเล่ น, นงานใจขนาดที่มันจะให้เราใจเราดิา่งไป มันบังคับให้ใจเราเนี่ยปกป้องรักษามันนะแม้จะมีใครดึงถึงฉุดเราจากความเศร้ามันก็จะไม่ยอมโกโรธก็เหมือนกันนะเวลาโกโรดนี่นะผมจะมันจะไม่อยากจะให้อภัยมันไม่ยอมเนะื้อใครมาบอกให้ให้อภัยให้อภัยมีคุณยายคนหนึ่งนะอมาม่าอยู่นะเป็นคนดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลใจเย็น แต่แกโรดแกเกลียดคนคนหนึ่งนะข้จะาคงจะแทบจะช่วยช่วยเหลือหลายอย่างแล้วกลับมาอากตันดูกับเธอหักหลังผ่านไปยี่สิบาสิบปีนะก็ยังไม่หายแล้วเวลาพูดถึงคนนี้ก็จะมีอารมณ์ขึ้นอาการขึ้นและยิ่งแก่ตัวนะก็ยิ่งบน่นยิ่งพูดยิ่งคิดถึงคนคนนี้ ลูกสาวก็กลัวแม่เนี่นะถ้ามียังยังมีแบบถ้าอารมณ์เป็นแบบนี้นะเวลาตายตายไม่สงบตายเนี่ยจิตมันจะนึกถึงความโกรธแล้วไปอาบายได้ง่ายถ้าจิตสุดท้ายเป็นอกุศลก็พยายามบอกแม่ว่าให้อาภัยก็ไปเธอหวนแม่โกรธลูกนะโกรธมันก็ว่าลูกเนี่ยกําลังจะช่วงจริงของรักของขอ ง, ของห่วงจากแม่ไปไอ้ความโกรธที่มันน่าน่ารักน่าห่วงที่ไหนมันไม่น่ารักน่าห่วงเลยใช่ไหม แต่แม่นี่ยนผะปกปักรักษาความความโกรธเอาไว้เลยนะถึงกับต่อว่าลูกว่เพียงพ่อลูกเนี่ยต้องการให้แม่เนี่ยปล่อยวางความโกรธให้อภยัยความโกรธนี่มงงาครอบงําใจของแม่ขณะนี้นะจนกระทั่งแม่นี่ต้องกลายเป็นเหมือนกับถูกเป็นทาบเพื่อที่จะต้องปกป้องปกปักรักษาความโกรธเอาไว้จะไม่ยอมให้อภัยเด็กขาด เสรแล้วก็ไปโกรธลูกเนี่ยอารมณ์เนี่ยนะถ้าเราเข้าไปเป็นมันนะมันจะมีพิษสงมากเลยมันจะครอบงำจิตเรามันจะใช้เราเพื่อปกปักรักษามันให้อยู่ให้ยืนตามมากที่สุดแล้วก็ขยายตัวขยายเผ่าพันธุไปเรื่อยๆโกรธคนนี้ไม่พอเนี่ยถ้าคนอื่นโกรธด้วย เขียนด่าทางเฟซทางเฟซบุ๊กนะเพื่อให้เพื่อนๆโกรธด้วยกันขยายพันความโกรธเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่มันต้องการแพร่พันไปเรื่อยๆสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีศาร์อย่างคือหนึ่งมันพยายามที่จะปกปักรักษาตัวมันเอาไว้ไม่ให้ตายง่ายๆและสองมันต้องการสื่พันแพร่พันนะความโกรธทาอารมณ์พวกเนี่ยมันเหมือนกันเลยแต่ถ้ามันถูกเห็นเมื่อไหร่ มันจะคลายพิษส่งนะจุดอ่อนขอยม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันนะเราเนี่ยควรจะมันฝึกให้มันเห็นมันรู้รู้ทันอารมณ์เหล่านั้นด้วยสตินะรานนี้ในะนักปฏิบัติเนี่ยนะถ้าากว่าเราแทนที่จะไปฝึกแต่เรื่องการกดขม่มอารมณ์โดยใช้ขันตินะ หรือโดยใช้พลังสมาธิเพื่อกดลงไปเนี่ยลองฝึกให้มีสติรู้ทันบ้างและการฝึกสติให้รู้ทันนะสติมันจะรู้ทันได้เนี่ยมันก็เหมือนกับนักมวยนะมันต้องเจอคู่ชกบ่อยๆมันต้องมีคู่ซ้อมนะแล้วคู่ซ้อมก็ต้องพอฟัดปอเวียงกันฝีมือใกล้เคียงกันหรือว่าไม่ไม่ตาจากกันบ้างนะ ตัวมันนักกีฬาเนี่ยนะถ้าน้องเมย์นยเอาคู่คู่ซ้อมเป็นใครก็ไม่รู้ว่าเป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องมุยไม่รู้ราวนะน้องเมย์ไม่เก่งหรอกเนี่ยมันต้องได้คู่ซ้อมที่เก่งสติก็เหมือนกันนะสติจะพัฒนาจะจะเจริญก็น่าจะไวเนี่ยนะมันต้องมีคู่ซ้อมคู่ซ้อมคืออะไรคู่ซ้อมคือความคิดและอารมณ์ฟุ้งซ่านาะะนั้นเนี่ยเวลามันมีความคิดและอารมณ์ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเนี่ยเวลามันมีความคิดฟุ้งซ่านและอารมณ์อคตศนเกิดขึ้นเนี่ย เราจะไปรังเกตมันนะอย่าไปพยายามที่จะกดข่มมันแต่ไม่ใช่ไปหาเรื่องให้มันขึ้นนะไม่ใช่ไปหาเรื่องมันฟุง้งแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยก็อย่าไปหมุดหิดนะนักปฏิบัติหลายคนนี่จะไม่ชอบนะแล้วนี่เคยผลว่าหลายคนนี่นั่งสมาธิแค่ห้านาทีก็ไม่ไหวแล้วนักปฏิบัติทําหลายคนพอเริ่มฝึกบทเนี่ยนั่งไม่ไหวห้านาทีมันฟุง้งเดืดเกิน ทำไมถึงเป็นทุกข์ก็เพราะว่าใจเนี่ยมันต่อต้านใจมันปฏิเสธไม่ชอบความฟุ้งซานเ <c oughs> พราะอะไรเพราะมีความอยากจะให้ใจสงบยิ่งอยากให้สงบเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับความฟุ้งซาานพราะมันเกิดขึ้นก็ไม่ชอบแต่พอไปผักสไปกดข่มมันท่าไหร่ก็มันก็ไม่หายนะยิ่งไปกดข่มมันก็ยิ่งปวดยิ่งโผล่ตุดท้ายสติแตกเลิกเลยห้านาทีพอแล้ว หลายคนบอกเนี่ ย, น, น, ยนั่งไปแค่5นาทีเนี่ยนั่งไปแค่แคหก็ดวันก็เริ่มนั่งแล้วถามว่าทำไมมันฟุง้งซ่านเนี่ยตั้งจิตผิดนะหนึ่งตั้งจิตเพราะว่าคิดว่าเนี่ยมันต้องมันต้องไม่ฟุง้งเพราะอยากสงบแต่ถ้าเรามองวม่มันเป็นธรรมดานะมีคนถามทไทเรลามะมามาปรึกษาทไทกับทไทเรลามะว่าเนี่ย นั่งสมาธิไม่ก็ยนั่งฟุ้งเลยกินท่านก็บอกว่าอาตมา ก, ก็ฟุ้งเหมือนกันคือท่านพยายามพูดเหย ว, ว่ามันธรรมดาถ้าเรามองว่าความฟุ้งซ่านเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปต่อสู้ผักสายมันเราจะนั่งได้อย่างต่อเนื่องตั้งแตทุกวันเราจะนั่งได้อย่างมีความสุขด้วยซ้ำเพราะเรายอมรับว่ามันเป็นธรรมดาเราไม่ไปต่อสูธธ้ผักสายมันที่บอกไว้แล้วว่าถ้าเราไปต่อสู้ผักสายเมื่อไหร่เนี่ยใจเราทุกทันที ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่ว่าความฟุ้งซ่านเนแต่ทุกเพราะใจที่ไม่ชอบความฟุ้งซ่านอย่างที่ธรรมาบอกไวนะ้แล้วเสียงไม่ได้ทําให้เราทุกแต่ที่เราทุกเพราะใจที่ไม่ชอบเสียงนั้นนะครานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราแล้วถ้าเราลองลองปรับมุมมองว่าเออผู้นี้มันมาก็ดีนะมันมาฝึกให้จิตให้สติเราไวขึ้นมีคู่ซ้อมสติเราจะได้ไวโดยเฉพาะเทียนนี่นะที่ท่านให้เปิดตาเนี่ย แล้วยุ่งมือสร้างจังหวะเนี่ยก็เพื่อให้นะเพื่อไม่ให้จิตเนี่ยมันมันถึงกับสงบจงกนกระทั่งไม่มีความคิดฟุ้งซ่านเลยตั้งการมันเกิดขึ้นมาบ้างหรือว่าผู้ฝึกใหม่เนี่ยให้มันมีบ้างนะเหมือนกับวัคซีนถ้าเติมเชื้อเข้าไปในรูปวัคซีนภูมิคุ้มกันเราก็จะแข็งแรงขึ้นถ้าไม่มีวัคซีนไม่มีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเลยภูมิคุ้มกันเราก็ไม่พัฒนา เพราะฉะนเนี่ยเมื่อมันมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นสติก็ได้พัฒนาเพราะว่ามีคู่ซ้อมมีคู่ชกและคนนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยพอทําไปนานๆเนจิตมันจะนิ่งเลยเนะเพราะว่าสติมันไวแล้วมันก็ความคิดนก็ออกมาน้อยลงในกรณีชนั้นหลวงพ่อเตียมก็จะบอกว่าให้ยกมือเร็วๆขึ้นเดินไวๆขึ้นเพื่ออะไรเพื่อขย่อจิตให้มันมีความฟุ้งซ่านออกมาบ้างจะได้มีคู่ซ้อม นักมวยถ้ามันไม่มีคู่ชกเลยเนี่นะคู่ซ้อมเนี่ยรักษาห้าวันเนี่ยนะก็กำลังก็ก็ตกความว่องไวก็หายไปไอ้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยความวิุ่้งซ่านอารมณ์เนี่ยนะมองว่าเออให้ควรมองว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝึกเราให้สติเราได้รู้ทันมันไว้ แล้วต่อไปเนี่ยไอการที่เรามีสติรู้ทันเนีย่ยได้เห็นอารวมความคิดพุ่พงสร้างเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนอกจากสติเราจะวัยขึ้นจนกระทั่งทํ า, าให้ใจเราสงบนะมันเป็นเป็นความสงบเพราะรู้ไม่ใช่เพราะกดไม่ใช่เพราะไม่รู้ไม่ใช่เพราะปิดรู้ปิดตานี้ต่อไปเนี่ยนะสติจะไม่ช่วยไม่ใช่ช่วยทําให้ใจเราสงบ แต่จะส่งผลให้ใจเราสว่างด้วยตรงนี้แหละที่มันเป็นวิปัสสนาแล้วสมก็ยังเป็นสมถะอยู่นะแต่พอมันสว่างเนี่ยมันี่มันคือกระบวนการวิปัสสนาสว่างเพราะอะไรสว่างเพราะเห็นความจริงนะเห็นความจริงจากอะไรเห็นความจริงจากกายและใจเห็นความจริงจากอาการที่เกิดกับกายและใจเช่นความคิดอารมณ์และเวทนาความเจ็บความปวด อารมณ์ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถจะแสดงทำให้เราเห็นได้แสดงให้เห็นว่าอย่างเบื้องต้นเลยนะอารมณ์นั้นหรืออาการของใจนั้นไม่ใช่เราความโกรธความคิดฟุ้งซ่านความเศร้าเนี่ยไม่ใช่เราแต่ก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นอลไรก็เราทั้งนั้น เราโกรธเราเศร้าเราปวดแต่พอเห็นไปบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เราปวดมันเป็นกายที่ปวดมันไม่ใช่เราเศร้ามันเป็นเพียงแต่ว่าใจมันเศร้าใจมันใจมันโกรธนะมันไม่มีตัวเราละแต่ก่อนเราตะพื้ตะคือเลยเราเดินนะเรานั่ง เราคิดเราโศกนะแต่สติมันทำให้เราเนี่ยมองทะลุไอ้ตัวเราเนี่ยหรือทำให้ตัวเราเนี่ยซึ่งมันเป็นภาพมายาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันหายไปเห็นแต่สิ่งที่เป็นของจริงก็คือกายกับใจรูปกับนามไอ้ความไอ้ความสำคัญหมายเป็นเราเนี่ยนะมัน มันมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาในใจนะมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่มันสร้างขึ้นมาในใจอาตมายกตัวอย่างง่ายๆนะเปรียบง่ายเนะกอไก่เนี่ยนะนะเขียนเนี่ยกอไก่ใช่ถ้าเขียนงนี้คืออะไรบอลใบไม้ใช่ไหมกอไก่กับบอไบไม้เนี่ยมันไม่มีความหมายเลยใช่ไหมแต่พอมาประกบกันเนี่ยเรานึกถึงอะไร เห็นเป็นตัวกบปาดใช่ไหมหรือไม่กกบเราดินสอใช่ไหมกบมันมีจริงไหมมันไม่มีมันแค่ก่อไก่กับบอใบไม้เนี่ยแต่มันมีภาพกบขึ้นมาในใจเราเราให้ความหมายกับไอ้สตัวเนี่ยนะความหมายนั้นมันเกิดขึ้นในใจเราว่ากบป๊อบหรือว่ากบเราจินสอต้อเตามันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมดอเด็ก นี่มีความหมายไหมพอมาประกอบความเป็นเนื้อได้กลิ่นเหมนไม่ชอบใจก็เพื่อนใช่ไหมมันก็เกิดขึ้นมาในใจเราเราสร้างท่าขึ้นมาเราสร้างกลิ่นขึ้นมาจากความระลึกนึกถึงสัญญาเนี่ยตัวตอตากตะเดีกมันก็มีอยู่แค่นั้นนะ่ะในความเปนจริงแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเราสร้างขึ้นมาใน ใ, นใจให้ความหมายขึ้นมาใน ใ, นใจในทงางปฏิกันตัวฉันเนี่ยนะ กายกับใจพอมาพอมารวมกันนะมันก็มีแค่กายกับใจแต่เราไปสร้างความหมายของมันว่าฉันตัวฉันขึ้นมามันไม่ใช่จริงนะมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในใจแล้วเราก็เชื่อว่ามีตัวฉันอันนี้เป็นอวิชชาเป็นความหลงนะแต่สติเนี่ยมันจะทำให้ให้เห็นนะว่ามันไม่มีตัวฉันมันมีแต่กายกับใจมีแต่รูปกับนามเวลาเดินไม่ใช่ฉันเดินนะมันเป็นรูปที่เดิน เวลานั sí, ่งไม่ใช่ฉันนั่งมันเป็นรูปที่นั่งเวลาโกรธไม่ใช่ฉันโกรธมันเป็นความโกรธเกิดขึ้นในใจเวลาเศร้าไม่ใช่ฉันเศร้ามันมีแต่ความเศร้าเกิดขึ้นในใจทีแรกเห็นว่ากายจิตเศร้าก่อนหรือว่าจิตมันโกรธก่อนแต่ดูไปดูไปทีนะความเศร้ามันเกิดขึ้นในใจความโกรธเกิดขึ้นในใจความเศร้ากับใจคนละอันกันนะ ความกลัว ก, กับใจหรือจิตเนี่ยมันคนละอันกันมันไม่ใช่อันเดียวกันนะมันเหมือนกับเวลาเราเอาไม้มาขัดสีกันเนี่ยเกิดไฟไฟมันอยู่ในเนื้อไม้ป่ะฮะไฟไม่อยู่ในเนื้อไม้ใช่ไหมไฟแค่อาศัยไม้เปที่เกิดเวลาเราปวดขาเนี่ยนะทีแรกเราเห็นว่าเออขามันปวด แต่ดูดีเนี่ยความปวดมันเกิดขึ้นที่ขาความปวดกับขานี่มันคนละอันกันนะถ้าคุณเห็นว่าความปวดก็อันหนึ่งขาก็อันหนึ่งเนี่ยนะหรือว่าเศร้าก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนี่อันนี้เขาเรียกว่าแยกขันละนะมันไม่มีเรานะมันเนี่ยคุณเริ่มเห็นความจริงแล้วว่ามันเป็นคนละส่วนคนละส่วนกันที่เขาบอกว่าแยกขันแยกจิตแยกรูปเนี่ยแยกกายแยกใจคืออันนี้นะแล้วต่อไปคุณก็จะเห็น คามไม่เที่ยงของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจเรื่องใตรักมากขึ้นอันนี้จังทุกหานตาคุณเริ่มเห็นสัจธรรมแล้วแต่ก่อนสติเนี่ยมันทำให้ให้เราวางอารมณ์ทำให้อารมณ์เราเนั้ยหมดไปทาให้ใจสงบแต่ต่อไปเนี่ยเมื่อเห็นบ่อยๆให้บ่อยๆเนี่ยนะอารมณ์เหล่านี้เนี่ยแม้จะเป็นอารมณ์ อ, อกุศลเนี่ยมันก็สามารถจะแสดงทำให้เราเห็นเรื่องรูปเรื่องนาม เรื่องใตรักได้แต่ถ้าเราไม่เห็นมันนะมันก็ข้อมงามจิตเรามันก็เล่นงานจิตเราหรือถ้าไม่เห็นมันจิตเราก็เข้าไปสู่อารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ไปนรกได้ง่ายนรกที่ใจนะเวลาเศร้าเวลาโศนี่เวลาโกรธมันนรกอะเอาเ่านี้มันจะเป็นอบายามุกทันทีอบายามุกแปลว่าทางสู่ความ ทางสู่อบายไม่ได้หมายถึงเล่าบุรีนะแต่ว่ามันหมายถึงว่าพอเราถ้าเราไม่เห็นมันนะมันก็เป็นประตูสู่นรกได้สู่อบายได้แต่ถ้าเห็นมันเมื่อไหร่นะมันจะแสดงมันจะกลายเป็นสัจธรรมให้เราเห็นให้เราให้กับจิตใจของเราผู้ย่างนั่คือว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเมื่อมันรู้ถูกเห็นเมื่อไหร่นะมันจะแปลงตัวมันจะกลายเป็นสัจธรรม ไอ้ที่เราไม่ชอบไม่ชอบนี่นะพอเราใช้สติดูนะเห็นมันเปนบ่อยเนี่ยจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นสัจธรรมนะทีแรกเนี่ยพอมาถูกรู้ถูกเห็นเนี่ยมันก็หมดพิษสง์แต่ต่อไปเนี่ยถ้าเรามีสติดูมาเรื่อยๆ เ, เนี่ยเอารมณเหล่านี้พอมาถูกรู้ถูกเห็นเนี่ยมันจะกลายเป็นสัจธรรม ความทุกข์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นธรรมะเมื่อเราเห็นมันแต่ถ้าเราไม่เห็นเราเข้าไปเป็นเป็นทุกข์นะก็เหมือนกับตกนรกหลวงพ่อคำแก่นเขาบอกว่านับภาวนานเนี่ยต้องเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะเราต้องเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมเราต้องเปลี่ยนความโศกความเศร้าให้เป็นสัจธรรมที่แสดงตายลักให้เราเห็น แสดงให้เราเห็นเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจว่าไม่มีเรามันมีแต่แค่กายกับใจอันนี้แหละคือปัญญาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลามันมีอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นในใจเนี่ยนะอย่าไปมัวตีโพยตีภายนะอย่าไป อย่าไปกลัดกลุ่มกับมันนะให้มันเห็นให้มันรู้มันก็จะหมดที่สงลงและต่อไปเนี่ยถ้ามันเห็นมันรู้บ่อยๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสัจธรรมที่แสดงความจริงให้เราประจักษ์นะซึ่งช่วยให้ปล่อยวางได้ง่ายแล้วเมื่อปล่อยวางได้ง่ายมันก็จะ ไกลทุกข์หรือพนทุกข์กได้ยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะย้านะว่าการเห็นเนี่ยมันสําคัญอย่างไรสําหรับการปฏิบัติธรรมนอกจากทําความดีแล้วเนี่ยนะเราต้องเห็นความจริงต้องมันฝึกใจใหเห็นความจริงด้วยแต่ความจริงนั้นไม่ต้องดูที่ไหน ดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจเนี่ยไม่ว่าบวกหรือลบดีใจเสียใจปิติหรือว่าหดหู่นะเอื่อเฟือ้อหรือว่าโกรธเกลียดพวกนี้เนี่ยนะมันล้วนแล้วแต่สอนทำให้กับเราได้ทั้งสิ้น อนนี้จะต่างจากการภาวนาที่เน้นความสงบหรือสมถะนะเพราะว่าการภาวนาชนิดนี้จะเป็นในเรื่องการกดข่มหรือว่าการพยายามที่จะปิดกั้นไม่ให้อารมณ์อกุศลเกิดขึ้นซึ่งมันก็ดีเหมือนกันทำให้ใจสงบผ่อนคลายแต่ว่าพอซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นเวลาเรา ปิดตัวอยู่ในสิ่งแวล้อมที่สงบอย่างเนี่ยห้องห้องพระหรือว่าห้องประชุมติดแอร์เท่านี้ไม่พอก็ปิดโทรศัพท์ด้วยเพื่อไม่มีเสียงมารบกวนอาจจะไม่พออก็ปิดตาด้วยนะปิดต า, าไม่พอไปกดข่มความคิดไม่บังคับจิตไม่ให้คิดด้วยกันเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจไปเพ่งอยู่กับคำบริกรรมนะอันนี้เป็นวิธีการที่ทาให้ไม่มี ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นไม่มีความคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้นรวมทั้งพยายามลดผัสสะให้น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นรูปลสกลิ่นเสียงนะสัมผัสหรือฉพเสียงเนี่ยราต้องติดแอร์รูปก็ลดไม่ให้มากกระทบมาด้วยการปิดตาอันนี้ก็ช่วยทำให้สงบได้เร็วแต่ข้อเสียคือว่าพอเราออกจาก บรรยากาศหรือออกจากอิเลียบทอย่างนั้นเช่นกลับไปบ้านแล้วไม่ได้ถึงบ้านเลยนะแค่กล า, างทางเท่านั้นก็อาจจะเจออะไรต่ออะไรมากมายที่มากระทบแล้วทําให้เกิดความโกรธความหมดหุดหมิดนะสติแตกเลยนะพาะไม่ได้ฝึกสติมาก่อนฝึกแต่เรื่องการกดข่มหรือว่าการกํากับควบคุมผัดษระ นะมีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งนะก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ปฏิบทําอยู่ในของสมาคมแห่งหนึ่งก็อยู่ในห้องประชุมที่ติดแอนะ่ปฏิบัติกันหลายคนทุกคนก็ไม่พูดคุยกันนะสำรวมเป็นระเบียบเรียบร้อยปฏิบัติเช้าเย็นมีความสงบ พอห้ามงเย็นก็เลิกนะเดินไปที่จอดรถจะขับรถกลับบ้านบอกกว่ารถของตัวเนี่ยถูก ม, มีรถอีกคันหนึ่งจอดซ้อนเอาไว้ออกไม่ได้แล้วโกรธมากเลยนะถึงกับหลุดปากด่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี่งงเลยนี่เพิ่งนี่ปฏิบัติธรรมมาอยู่โยกร้อนๆทำไมโกรธมากขนาดนี้ทำไมถึงกับด่า นะใช้ความหยาบคา ย, ยางนั้นเขาก็มาถามทำไมเป็นมันทําไมเป็นอย่างนั้นนะ่ะเนี่ก็อย่างที่อธิบายนะ่ะก็คือว่าส่วนใหญ่เป็นในเรื่องการไปควบคุมนะสิ่งภายนอกพยายามกํากับหรือกําจัดสิ่งที่มากระทบทางตาวูจมูรลิ้นกายจะให้น้อยที่สุดและถ้ามากระทบก็ให้กระทบเฉพาะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่น่าพอใจเช่นความสงบ ความเย็นแต่พอไปเจอสิ่งที่เจอภาพที่ไม่ถูกใจเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่สมหวังเจอรูปรสกลิ่นเสียงที่นะมันยั่วยุจิตก็ฟุ้งอารมณ์ก็แปรปรวนขึ้นมาทันที นี่พราะไม่ได้ฝึกสติให้รู้ทันอารมณ์ถ้ามีสติรู้ทันอารมณ์เนี่ยพอมันแค่พอเห็นภาพนะใจก็เพื่อมขึ้นมาเอารู้ทันแล้วไม่ปล่อยให้ใจไม่ปล่อยให้ความงุญหงิมันลุกลามกลายเป็นความโกรธและไม่ปล่อยความโกรธรุกลามเปนทางกายเป็นการเปิดปากดา่านี่นเมื่อเราต้องเจอกับสิ่งแวดล้อมที่เราไม่คุ้นเคยเจอผัดสสงต่าง ม, มากมายในชีวิตประจําวัน ก็ต้องควรฝึกให้ใจเราเนี่ยนะพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นและวิธีรับมือที่ดีสุดคือว่าฝึกรู้ฝึกเห็นนะให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่การที่ฝึกอย่างนี้ได้เนี่ยนะต้องฝึกในเรื่องที่ง่ายก่อนก็เือฝึกกับฝึกให้มีสติอยู่กับอิรียบทให้รู้กายก่อนพูดง่ายๆนะที่ครูบาอาจารย์นะ มาสอนให้เราเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือว่ามีสติกับการกับลมหายใจเนี่ยนะก็คือเพื่อให้เรารู้กายเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อกายเคลื่อนไหวใจก็รับรู้หรือรู้สึกนะอันนี้หลวงพ่อคำเขียนในกระบอกเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยเวลา เวลามันเดินเวลามันยกมือนะก็ให้ร่วงที่เป็นกายที่ยกมือกายที่เคลื่อนไหวกายที่เดินไม่ใช่เรายกมือไม่ใช่เราเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเดินเมื่อกายเคลื่อนไหวใจก็รับรู้อันนี้อันเดียวกับคําพูดที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวถ้ากายเคลื่อนไหวแต่ใจไปอยู่ที่บ้านใจไปอยู่ที่ที่ทํางานเนี่ยก็จะไม่รับรู้ว่ากายเคลื่อนไหว ยกมือฟรีฟรนะีเดินฟรีฟรีไม่รับรู้แล้วเพราะใจมีอยู่กันเนกับตัวทําไงจะให้รู้หรือรู้สึกก็ใจก็ต้องกลับอยู่กันเนื้อกับตัวเมื่อใจอยู่เนกับกตัวกายเคลื่อนไหวใจก็รู้สึกหรือใจก็รับรู้อันนี้เรียกว่าเห็นกายเคลื่อนไหวนะซึ่งเราทําได้หลายแบบไม่ใช่ยกมือสร้างจังหวะเดินยกองเดียวเราตื่นเช้าขึ้นมาเก็บที่นอนอใจก็อยู่กับการเก็บ ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเมื่อเก็บใจก็รู้ตัวเมื่อไปล้างหน้านะใจก็อยู่การล้างหน้าถูฟันใจก็อยู่การถูฟันไม่ปล่อยให้ไปคิดเล่นพลานว่าเดี๋ยวจะจะปรุงอะไรหรือจะทําครัวอ่าจะเอาอะไรจะทําอะไรกินหรือว่าเป็นึกถึงงานว่าโั้นี้ต้องไปประชุมนะวันนี้นะมีงานที่รอเราอยู่เนี่ย หลายคนไปเลยนะล้างหน้าเนี่ยตัวเนี่ยล้างหน้าแต่จาไมไปไหนนะอันนี้เรียกว่าถ้าทํากันก็คือไม่รู้กายเคลื่อนไหวหรือว่ากายเคลื่อนไหวใจก็ไม่รับรู้ทําอย่างเงี้ยเอาแค่เนี่ยตัวอยู่ในใจอยู่นั่นทําอะไรใจก็รู้สึกหรือใจก็รับรู้ไม่ต้องคิดนะแค่มันรับรู้นะไม่ใช่ไปไปภาคว่าฉันกําลังทำโน่นทนํานี่ไม่ต้องภาคนั่นน่นั่นคือความคิดเรากำลังพูดเรื่องการ รู้การเห็นและคนเราเนี่ยทั้งวันนี่นะมันมีการทำกิจอยู่ตลอดกิจในที่นี้นไม่ได้แปลว่าทามากินอย่างเดียวนะกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟันนี่ก็กิจส่วนตัวนะเข้าห้องน้ำเราก็มักจะมีการเคลื่อนไหวหรือถึงแม้ไม่เคลื่อนไหวก็ลองพลิกมือไปพลิกมือมาตามลมหายใจแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย แทบทั้งแทบทั้งวันเนี่ยถ้าเราไม่หลับนะเราก็จะมีการทากิจเดินกินสนทนากวาดบ้านขับรถพวกนี้มันต้องใสศกายเคลื่อนไหวก็ให้รู้นะรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทากิจ แล่วนอกจากทำกิจแล้วคนเราจะมีอีกอย่างนึ่งที่ต้องเจอคือเกิดผัสสะผัสสะนี่คือว่าเห็นรูปได้ยินเสียงนะลิ้นรับรสหรือว่าตัวมีสัมผัสบางอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังมีสัมผัส ท, ที่ที่ขาที่เ ท, ท, ท้านะเนี้ยก็เป็นผัสสะแบบหนึ่งหูได้ยินเสียงธรรมมากายก็ได้ยินได้สัมผัสถึงความเย็นของ อากาศรอบตัวบางอย่างมันไม่ใช่เรียบๆธรรมดาธรรมดาบางอย่างมันโผล่ขึ้นมาเป็นช่วงๆช่วงๆเสียงดังเสียงโทรศัพท์ดังเป็นช่วงๆในชีวิตนองเราเนี่ยทั้งวันเนี่ยเจอภัสสะและเมื่อมีภัสสะนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเรากินเสียงสัมพัสเนี่ยใจมันจะกระเพื่อมได้ยินเสียงนกใจก็ยันึกถึงว่าเมื่อเดินที่ล้านไปดูนกที่เขาใหญ่ แต่ล้วก็นึกต่อไปโอ้ที่เขาใหญ่นะทะเลาะ ก, กับเพื่อนพอนึกะเลาเพื่อนก็เกิดความขุ่นเคืองเกิดความเสียใจธรรมชาติคนเราพอได้ยินเสียงเนี่ยนะใจมันปรุงแล้วมันหลายแปรดีบ้างมันไปนาคตบ้างให้มีสติรู้ทันรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากินนะเห็นใจคิดนึกเมื่อเกิดผัสสะ ทำสองอย่างเนี่ยนะก็เรียกขอเพียงแล้วแล้วคุณทําได้ทั้งวันที่บอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติทําไม่มีเวลามามาวัดไม่มีเวลามาปฏิบัติที่นี่เนะี่ยไม่จำเป็นเลยนะคุณทําแค่เนี่ยนะ้เห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจรู้ใจคิดมเมื่อเกิดปัสสาวะนะแค่นี้คุณทําได้ทั้งวันแล้ว ไม่ว่ากําลังประชุมอยู่ไม่ว่า ก, ก็อยู่กับลูกอยู่กับร้านไม่ว่าทําครัวนะคุณได้ปฏิบัติทำเจริญสติตลอดเวลาทนี้จะเป็นการวิธีฝึกรู้ฝึกเห็นนะซึ่งอย่างที่ธรรมาบอกนะเมื่อเราฝึกรู้ฝึกเห็นหบอ่อยเนี่ยไอความคิดฟุ้งซ่านอารมณ์ต่างเนี่ยมันก็จะหมดที่สงนะเมื่อมันถูกรู้ถูกเห็นด้วยสติมันก็จะคลายที่สงลงไป และยิ่งกว่านั้นเนี่ยเมื่อมันถูกรู้ถูกเห็นอยู่เรื่อยๆมันก็จะแปลงเปลี่ยนเป็นสัจธรรมให้เราได้ประจักษ์อาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะก็คิดว่าหลายคนก็อาจจะมีคำถามหรือว่ า, า จ, จะมีข้อสงสัยอะไรอย่างที่อาจจะไม่กระจากก่างก็ก็เชิญได้ขอเชิญนะครับใ คามางานที่าทารการ น, นะครับมือแรกนะครับือนะครับพัาค่ะคือพอเวลาิดสุกต้องทยังไงะคงะคให้รู้ให้รู้ว่ากลาลังสุกอย่าไปปืมปื้มมันนะให้เห็นว่าไม่ใช่เราสุกมันแค่มีความสุกเกิดขึ้นกับใจนะอันนี้คือไม่เป็นผู้สุกแค่เห็นความสุกนะคุณทำเนี้ยนะ ไม่ว่าจะบวกหรือลบเนี่ยแค่เห็นว่าข้างในเนี่ยมันสุกพอแล้วมันมีเด็กคนหนึ่งนะอาจารย์อาจารย์ประสงค์เล่าเด็กอายุแปดขวบนะท่านคงไปสอนบรรยายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็พอบญญรรยายเสร็จก็ระหว่างที่รอแล้วก็เจอเด็กหญิงยุแปดขวบคุยไปคุยมาเด็กคนนี้เ อ, อดูทางฉลาดทั้งเลยคิดว่า เ, ออเด็กฉลาดนะเด็กดีด้วย ต้องให้รางวัลสักหน่อยท่นก็หยิบรูปประคัมขึ้นมาจากญ่ามเด็กพอเห็นเด็กก็ร้องอู้ฮูท่านก็ถามว่าหนูร้องอู้ฮูหนูเห็นอะไรเด็กตอบว่าไงเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะหนูไม่ได้บอกเด็กหนูไม่ได้บอกว่าหนูเห็นหนูดีใจนะเด็กไม่ได้บอกหนูดีใจนะหนูเห็นข้างในมันดีใจต่างกันนะระหว่างหนูดีใจกับเห็นข้างในมันดีใจหนูดีใจคือหนูเป็นผู้ดีใจ แต่หนูเห็นข้างในมาดีใจแสดงว่าหนูเนี่ยมีสติเห็นมันเวลามีความสุขคุณก็เห็นว่าเออเห็นความสุขอยู่ข้างในไม่ใช่ฉันสุกนะอันนี้อาจารย์ประสงค์ก็ถามตอบว่าแล้วหนูทําอะไรกับมันเด็กตอบว่าหนูไม่ทําอะไรกับมันเลยค่ะหนูก็แค่ดูมันเฉเฉยตอนนี้ข้างในมันมันเบาลงนะ้ความดีใจมันลดลงแล้วโอเนี่ยเด็กทําอย่างที่หลวงพ่อองคเ์เคารพสอนเลยนะคือเห็นอย่าเข้าไปเป็น ก็รู้สู้ๆนะความดีใจคุณไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรกับมันคุณไม่ต้องพนอนมันไม่ต้องไปหวงแหลมันถ้าต้องการฝึกสตินะแค่ดูไม่เฉย ม, มันก็จะค่อยๆลงไปนะนี่แหละคือเรื่อฝึกรู้ฝึกฝึกเห็นอันนึงนะก็อันนี้หลวงพ่อเขียนท่านก็พูดไว้เหมือนกันบอกเนี่ยคนเราเนเวลาเกิดเวลามันเจออะไรที่มากระทบที่ไม่ชอบเนี่ยเสียเสียงดังแดดร้อนเนี่ยหรือบางที เจอความโปวดความเมื่อเนี่ยหรือว่าปฏิบัติมากๆเนี่ยทั้งวันเนี่ยมันก็จะบน่นโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวนะท่านบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นอื่นนะอ่ายุงกัดก็ไม่ใช่โอ้ยให้อื่นนะมีความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ใช่โอ้ย ให้เปลี่ยนเป็นอือโอ้ยแปลว่าไม่ไหวแล้วอือแปลว่าไม่เป็นไรโอ้ยคือเข้าไปเป็นนะอือคเห็นน้ำตาลก็ตามที่บอกว่าโอ้ยหรือโวยวายขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นอือนะนะอันนี้ใช้กับกรณีที่มันเป็นทุกขเวทนาที่ไม่ชอบแต่กรณีคุณเนี่ยมันเป็นกับดักของคนได้ง่ายเพราะว่าคนชอบที่จะสุขก็ต้องเห็นมันด้วย หนึ่สอาการย์พระกุณฑะก็มีคำถามว่าบางครั้งมีเวลาโกรธหรือกำลังโมโหบางทีมนันก้อนขึ้นมาอย่างนี้จะทำอย่างไรนะคับกราบดวยตาค่ะคือถ้าหากว่าถ้าหากว่าไม่เคยฝึกสติหรือว่าไม่เคยไม่เคยเจริญสติมาก่อนหรือสติยังไม่ไวเนี่ยนะให้ เอาจิตเนี่ยมาอยู่ที่กายก่อนใช้ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจย า, ย, ายาวๆสักสิบครั้งนะเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจความโกรธให้มาสนใจที่ลมหายใจแทน <c oughs> ลมหายใจเราเนี่ยถ้าเราเอาใจใส่ลงไปนะมันจะเปนกลายเป็นลมวิเศษนะลมวิเศษเนี่ยนะมันจะช่วยได้เยอะลมธรรมดาเนี่ยมันก็แค่เอาออกซิเจนไปรีข้างร่างกาย แต่พอมันกลายเป็นลมพิเศษเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเอาความสงบเงย็นไปหล่อเลี้ยงจิตใจเราด้วยมันจะทําให้ความรุ่นน้อยในใจเราเบาลงหรือดับไปมันช่วยปัดเป่าสิ่งที่หนัก อ, อกหนักใจออกไปมันช่วยขยายใจเราให้กว้างขึ้นเพราะบางครั้งใจสูงถูกดีถูกกดดันนะมันจะเชื่อเยียวยาใจได้เท่าเรามีความเศร้าโศก นั่นมันใช้ลมพิเศษที่เป็นซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแค่เติมใจใส่ลงไปเอาใจใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลมพิเศษนะหม่ใหม่ทำงี้ก่อนต่อไปเนี่ยให้กลับมาต่อไปนี่นะลองฝึกดูจะดูกายสังเกตนะว่าเวลาโกรนเนี่ยกายเป็นอย่างไรกายนี่คือทั้งตัวนะเช่นตัวเกรงลมหายใจถี่สั้นหัวใจเต้นเร็ว นะปากนี่เ ม, ม้มนะดูแค่นี้พอไม่ต้องทําอะไรเนยนะแค่ดูมันเนี่ยมันจะช่วยได้เพราะพอดูปุ๊บเนี่ยกายเราจะผ่อนคลายทันทีพราะกายผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายดูกายนี่มันดูง่ายกว่าดู ด, ดูดูใจใช่ไหมต่อไปถ้าคุณสติ ค, คุณดีขึ้นอ้าวคุณก็มาดูให้หัดอันมาดูดูใจแนละ้วว่าใจตอนนี้มันกําลังว้าวุ่นใจมันกําลังไม่ปกตินะสะติมันคือการดู แต่ไม่ใช่ดูแบบจ้องหรือว่าเห็นหรือรู้ทั น, นไม่เหมือนสมาธิสมาธิคือการหันหลังคือการเปลี่ยนอารมณ์เช่นมันโกรธใช่ไหมก็มาดูที่ลมหายใจมันโกรธก็ฟังเพลงมันโกรธก็ไปเล่นเกมเนี่ยคือเปลี่ยนเปลี่ยนความสนใจของจิตไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ<ม>ื่อที่จะได้ผู้ประสาชาวบ้านคือลืมโกรธนะอ<น>ันนี้เป็นวิธีการของสมาธิแบบง่ายๆนะ แต่ว่าสติที่มันคือการเข้าไปดูดูแต่ไม่เข้าไปเป็นเนี่ยแต่ก็ต้องดูให้เป็นนะเพราะถ้าดูไม่เป็นเนี่ยก็เสร็จเหมือนกันถูกมันดูดไปดูเวทนาส่วนใหญ่ก็ดูไม่เป็นก็โดนเวทนาดูดไปเนี่ยนะอาตมาว่าเรื่องการดูการเนี่ยนะ <c oughs> ดูใจเนี่ยมันใช้ได้กับทุกอารมณ์แลใหม่ๆเนี่ยนะก็คนสมัยนี้เนี่ยจะไม่ค่อยรู้ทันอารมณ์เท่าไหร่นะ บางทีถามว่ารู้สึกยังไงตอนนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าแปลกแยกกับตัวเองมากแต่ว่าอาจจะช่วยได้ด้วยการที่กลับมาดูใจอาจารย์พรหมวังโสเนี่ยท่านเป็นพระชาวกิล้วไปอยู่ที่ออสเตรเลียวันหนึ่งก็มีพี่อยูถึงโทรมาปรึกษาท่านพี่คนนี้ในแกเป็นโรควิตกกังวลอย่างหนักจนกระทั่งป่วย ป่วยชนิดนี้นอนเตียงอะนะทำอะไรไม่ได้เลยนะเ <c oughs> พราะวิตกกังวลมันเป็นระดับ disorder แล้วนะ <c oughs> disorder มันก็นเป็นโรคะนะ <c oughs> กังวลอย่างหนัก <c oughs> มีคนแนะนำให้ว่าเรามาปรึกษาจันพรหมดูนะ <c oughs> คนนี้เนี่ยนะแกทำอะไรไม่ได้แล้วนะเดียงออยังดีที่มีสามมีแฟนเนี่ยคอยช่วยทาโน่นทานี่ให้ช่วยทำครัวนะช่วยทำความสะอาดบ้า น, น่าแฟนกันดีมากเลย อาจารย์พร้มก็ถามว่าพอพอพอรู้ว่าพี่คนนี้กมีปัญหาเรื่องความวิตกกังวลนอะอาจารย์พร้อมก็ถามว่าแล้วร่างกายของคุณส่วนไหนที่มันเวลาคุณเกิดความกังวลเนี่ยร่างกายมันมันมีความรู้สึกตรงไหนที่ร่างกายของคุณคําถาม ท, าที่ฟังรู้เรื่องไหมร่างกายคุณรู้ร่างกายคุณรู้สึกตร ส, ส่วนไหนของร่างกายที่คุณรู้สึกเวลาเกิดความกังวลขึ้นมา แต่ตอบไม่ได้ท่านอธิบายว่าเนี่ยคนเราเนี่ยเวลามันมีอารมณ์ไดก็ตามนะมันจะส่งผลต่ออวัยวะหรือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนะบางคนก็มีความรู้สึกที่หน้าอกบางคนมีความรู้สึกที่ท้องบางคนมีความรู้สึกที่หัวแล้วแต่ชนิดอารมณ์แล้วคุณเนี่ยรู้สึกตรงไหนร่างกายคุณรู้สึกรู้สึกตรงไหนในส่วนไหนของร่างกายตอบไม่ได้อาจารย์ผงศ์หลวงงั้นคุณตอบได้เมื่อไหร่ก็ โทรมาหาตมามมาสองสมวันต่อมาแกก็โทรมาบอกว่ารู้สึกที่ลิ้นปีกนะรู้สึกยังไงตอบไม่ได้รู้สึกยังไ ง, ตไไ ง, ไงแต่รู้สึกที่ลิ้นปีกอธิบายไม่ได้รู้จารู้ ว, ว่านี่รู้มา่อไหร่ก็โทรหาถามมาสามาันต่อมาแกก็โทรมาแล้วแล้วก็อธิบายว่าเนี่ยรู้สึกที่ลิ้นปี่มันรู้สึกยังไงมันปวดแ ป, ป๊บแป๊บอะไรเงี้ยนะปวดแ ป, ป๊บแ ป, ป๊บนะ อาจารย์พรหมก็บอกว่าเวลาปวดเมื่ อ, อไรเนี่ยนะให้สัมผัส ม, มันเบาๆนะนวดมันนะถ้าไม่มีแรงนวดก็ให้แฟนช่วยนวดให้นนะเพราะหน้าที่ของแฟนก็คืออันนี้แหละนะคือช่วยเยียวยาเราแกก็รับไปทำไม่กี่วันต่อมาโทรมาบอกตอนนี้หายแล้วอาการปวดที่เึ้นปะีอาจารย์พรหมถามถามต่อไปว่า แล้วความวิตกกังวลนะแกะอึ้งเลยใจเงียบแล้วแกกพึ่งเอ า, เอาหายลงเหมือนกันคือเวลาความวิตกกังวลหายแกยไม่รู้ตัวเลยนะใช่ไหมแต่แกรู้ว่าเนี่ยเอไอไอความปวดที่เล่นปีมันหายคือสิ่งที่อาจารย์พรมทําเนี่ยนะก็คือให้มีสติรู้อาการของกายนะเมื่อเกิดความวิตกกังวล แล้วนะเพียงแค่นี้เนี่ยนะมันช่วยได้เยอะแล้วแล้วยิ่งถ้าไปเยียวยามาเป็นนวดมันเนี่ยนะมันก็จะส่งผลต่อใจนะที่เด็กที่ที่วงนี้เนี่ยความวิตกกังวลหายไปเนี่ยเพราะว่าเอาสติมาใช้มาดูกายแล้วก็มาดูใจด้วยแต่ดูใจโดยที่ท่านไม่เรียกว่าสตินะถ้าท่านบอกว่าเอาสติมาดูกายดูใจแกคงงงนะนะแปลว่าอะไรนะก็คงก็เลยพูดแบบนี้แหละนะ มันไม่มีภาษาธรรมมาเลยแต่นั่นแหะคือการใช้สติมาดูกายดูใจแล้วก็ช่วยมันด้วยก็คือนวดมันหน่อยนะฮะก็บก็ครั้งที่อาจรมาแนะนําถ้าเกิดเวลาโกรธนี่นะลมหายใจคนเรามันจะถี่มันจะสั้นเอาช่วยมันหน่อยช่วยกายหน่อคือหายใจค่อาลึกหายใจยาวมันจะดีขึ้นพอกายมันดีขึ้นนะใจคุณจะเย็นลงแล้วเนี่ยเวลามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยอย่าลืมเรื่องกายนะกลับมาดูกายสักหน่อยนะ ความเศร้าความโกรธความปดหัวความท้อแท้เพราะว่าไอ้จะดูกายดูใจในส่วนใหญ่ดูไม่เป็นนะก็มาดูของที่มันง่ายกว่คือดูใจนะถ้าดูกายก่อนนะดูใจมันดูยากคนที่ไม่ฝึกมาเนี่ยมี มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะอายุสามสี่ขวดเนี่ยแกเป็นแกมีอาการอย่างนึงนะคือแกเป็นคนเป็นเด็กกลัวโปะโปะข้ามเรือนะคนที่ใช้เวลาข้ามฟ้ากันนะเวลาพ่อเนี่ยนะจะข้ามเรือเนี่ยถ้ามีเหตุจะต้องข้ามเรือต้องอุ้มแกแล้วหลงโปะเนี่ยแกจะตกแกจะตื่นตกใจกลัวมากเลยพ่อก็บอกลูกว่าลูกไม่ต้องกลัวนะ พ่อเนี่ยนะก่อูกไว้แต่นแต่คนเราเนะี่ยเวลากลัวนะเหตุผลมันไม่ช่วยนะเหตุผลไม่เคยช่วยเลยนะให้หายกลัวนะเพราะมันคนละมันคนละมันคนละส่วนกันไอเหตุผลมันอยู่ที่นี่แต่กลัวอยู่ที่ไหนฮะ ใ, ใจมันคนละภาษาเหมือนกับ เ, เหมือนกับหูเนี่ยใช้ฟังเนี่ยนะแต่ถ้าจะให้มันดูภาพมันดูไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหม เอภาพให้หูรับรู้หูมันก็ไม่รับรู้หรอกเพราะหูมันฟังได้แต่เสียงนะจิตเนี่ยส่วนให ญ, ญ่มันโดยเพราะจะเป็นอารมณ์เนี่ยมันไม่เปิดรับความเหตุผลเลยพ่อก็พยายามอธิบายนะเกระไม่น่า ก, กลัวแรงต่างไม่ได้ผลเลยเด็กเมื่อกลัวกอลูกกอนพ่อว่ามั่นดิ้นนะพ่อกรู้ในยังไงนะวันหนึ่งแกก็ได้ฟังเรื่องราวของของของเพื่อนอีกคนหนึ่งนะที่เขาใช้สติเนี่ยมา ช่วยทำพูดให้ให้ลูกเนี่ยได้สติมารู้ความโกรธตัวใขั้งความกรธวของลูกหายไปจากการที่ได้เห็นความกลธวของตัวแกก็เลยลองทำบ้างทดลองดูให้มันจะใช้ได้กับลูกเราหรือเนี่ยแล้วหนึ่งก็ทดลองอุ้มลูกไปที่โรงโปลูกก็เหมือนเดิมเลยกลัวกลัวพ่อกลัวพ่อ แล้วก็ถามลูกว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงหัวใจเต้นเร็วลมหายใจมันหัวใจลมหายใจมันหายใจเร็วมากมือเป็ น, น, นยังไงเกร็งอย่างเด็กมันตอบได้นะแล้วความกลัวแล้วกลั ว, แ ล, วแล้วใจเป็นไงใจมันกลัวนะพ่อไม่พูดอะไรนะพ่อเป็นห่าชี้ให้ลูกเนี่ยดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับกายเกิดอะไรขึ้นกับใจเช้าพักเด็กก็นิ่ง ดิ้นดิ้นละแล้สักพักเนี่ยเดี๋ยวก็ปล่อยมือพ่อลงมาอยู่บนโป๊ะแล้วก็วิ่งเล่นอยู่บนโป๊ะหายกลัวไปเฉยเลยสิ่งที่พ่อทําคือให้ลูกมีสติดูกายดูใจใช่ไหมแต่ว่าจะให้บอกจะให้ดูกายดูใจก็ดูไม่เป็นก็ต้องชี้กล้องกายหนะ่อยว่าหัวใจเป็นยังไงลมหายใจเป็นยังไงกล้ามเนื้อเป็นยังไงเนี่ยนะ เนี่ยสติเนี่ยมันกับเด็กนี่มันก็ใช้ได้นะแล้วมันช่วยช่วยสามารถทำให้ความกลัวลดลงไม่ได้กลัวเพราะเหตุผลแต่กลัวเพราะเห็นนะอย่างที่เรามาบอกทุกอารมณ์เนี่ยมันมีจุดต่อคือมันมันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นพอเห็นเมื่อไหร่รู้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะหมดที่สงไป ว่าเรอควรใช้ทำข้อไหในการปฏิบัติคะครับข้อที่จะมาเอ่อที่จะมาเข้าใจหรือเท่าที่ได้มีประสบการณ์เนี่ยคนที่ซึมเศร้าเนี่ยเป็นเพราะว่าจิตมันเข้าไปอยู่ในความคิดซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตนะอดีตที่เจ็บปวดเนี่ยนะ ถ้าเราถ้าเราดูมันใช้มันเนี่ยมีประโยชน์แต่ถ้าเราจมเข้าไปในมันเนี่ยมันก็ทําให้เศร้าและเศร้ามากๆก็จะเป็นสูมเศร้าใช่ไหมฮและส่วนใหญ่เนี่ยรอนพวกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็คือคนที่มักมักมีเวลาอยู่กับการคิดนั่งคิดนอนคิดเจ้าจุกง่วงง่ายและที่สังเกตคือเดี๋ยวนี้เนี่ยคนสมัยใหม่ก็เป็นกันเยอะเลยเพาะคนที่อยู่คอมพิวเตอร์ผู้ที่ใช้ความคิดมาก ต้องมาไปไปไปจีนไปสอนปฏิบัติธรรมเมืองจีนเป็นเงินเยอะเลยแล้วส่วนใหญ่เป็นคนประเภทยังยังหนุ่มหนุ่มสาวๆเนี่ยนะและ้วพวกนี้ใช้ชิลเดียวคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องการใช้ความคิดของเมืองไทยเนี่ยสืบสานจะเป็นพวกคนมีอายุหน่อยกันนะแต่พวกนี้ก็เหมือนกันคือมันเป็นเรื่องการที่จมอยู่ในความคิดวิธีที่จะช่วยคือดึงเขาออกมาจากความคิดดึงเข้าออกมาจากโลกแห่งความคิดเช่นชวนก็ทำโน่นทํานี่ นะอะไรที่มันใช้มืออะไรที่มันใช้ใช้แรงกายไม่ต้องหนักก็ได้เช่นทำสวนทำการฝีมือนะวาดรูปนะแล้วที่ก็พบว่าช่วยได้มากคือออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยออกตามกำลังของตัวให้ทำทุกวันนะคือวิธีนี้มันเป็นธีการดึงจิตออกมาจากโลกแห่งความคิดนะ แล้วก็ให้เขาทาบ่อยๆนะใช้ใช้มือใช้ไม้ใช้แรงกายนะแต่ออกกําลังกายจะได้ผลมากนะแต่ต้องนานครึ่งชั่วโมงวันเออชั่วโมงหนึ่งทําบ่อยๆอันนี้ก็ทําวิจัยแล้วพบว่ามันช่วยได้เยอะอันนี้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคสมเศร้าจะไม่อยากจะทํามันอยากจะนั่งเราก็ต้องชวนเขาชวนเขาเดินชวนเขาทำนะเราอยากให้เขาทาเองเขาจะไม่ทํา นะวิธีหนึ่งที่ช่วยนะตอนนี้พบว่ามันได้ผลมากแล้วก็ง่ายใช้สัตว์เลี้ยงหมาฝรั่งเนี่ยนะมันมีหลังที่มันจะผูกพันกับหมามากในในอเมริกาพวกในนักสานหลายมาเลเชลล์หลายเนี่ยซึมเศร้าคนนี้ก็มีความเครียดหลายเรื่องแล้วก็จะมีอาสาสมัครให้ยืมหมาแต่หมาน่ารักทั้งนั้นนะ่ะให้ยืมหมานะหมานี่มัก็หมามันก็ดีนะ พร้อมจะเป็นอาสาสมัครจิตอาสาไปให้นะใหไปให้ผู้ปว่วยซึมเศร้าเนี่ยไปอยู่กับผู้ปว่วยซึมเศร้าสามสีวันนะเฮ้ดีขึ้นแล้วโครงการนี้ก็เริ่มมีมขยายตัวนะก็มีคนเนี่ยเจ้าของหมาเนี่ยให้ยืมหมาแล้วหมามันก็ร่วมมือด้วยนะมันก็ไปเป็นมันก็ไปอยู่คนแปลกหน้านะแล้วแล้วดีขึ้นนะคือพ อ, พอซึมเศร้าเนี่ยนะพอเจอหมาเนี่ยจิตมันมีนามบบที่จะออกไป ออกไปเกี่ยวข้องอันนี้ไม่น่าเชื่อนะแม้กับข้างคนที่ป่วยคนที่หมดเลี้ยวหมดแรงไม่มีกำลังใจในการเบือนชีวิตเนี่ยไม่ต้องมาก็ได้นะสัตว์เล็กๆก็ได้เนี่ยมันมีบ้านพักคนชรานะชื่อว่าเชสเมมโมเรียลในอเมริกาเป็นบ้านพักโปรชราที่ที่ได้มาตรฐานดีมากเลยนะนะและ้วราคาแพงคนที่มาเนี่ยนะส่วนใหญ่มีมีเงินมีฐานนะ แล้วพวกนี้เนี่ยที่มาเพราะว่าลูกเนี่ยดูแลไม่ไหวแล้วหมดสภาพแล้ว 89, แปดสิบเก้าเยอพวกนี้บางทีมีปัญหาเรื่องมีปัญหาเรื่องชีวิตอย่างเช่นมีรายหนึ่งเนี่ยสาภรยาที่แต่งงานกับมาหกสิบปีตายตัวแกก็แปดสิบกว่าแล้วนะจะเก้าสิบแล้วร่างกายก็แย่อยู่แล้วพอภรรยาตายนะมันหมดเลยนะก็อยู่แบบหมดอะไรตายยากข้าวก็ไม่ค่อยกินละ ลูกชวนไปไหนก็ไม่ไปแล้ววันหนึ่งแกก็ขับรถในลงคูตำรวจสถนนิษฐาว่าไม่ใช่อุบัติเหตุอยาจะฆ่าตัวตายลูกลก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเนี่ยเพราะว่าลูกก็ต้องไปไปไปทำงานใช่ไหมแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยพ่อไปเนี่ยพ่อฆ่าตัวตา ย, ยก็เลยจำใจต้องส่งพ่อเนี่ยมาเข้ามากข้าบัชลาหนักกว่ า, ว า, ว า, ว า, ากกเดิมนะเพราะว่าคุณดูนะเสียเสียเมียแลวนะ ต้องมาเสียบ้านต้องพัดัดพลาดจ า, า, ากบ้านพัดพลาดและสูญเสียอิสรภาพเพราะอยู่บ้านพักคุณชราเนี่ยทําอะไรไม่ได้ตามใจนะมันต้องตื่นนอนกินอะไรตามเวลานะแกอยู่บ้านพักคนชราแกไม่ไปอะไไม่ทําอะไรนะแกก็นอนอยู่บนเตียงไม่ ก, กินร่างกายก็งอมแล้วก็หงอยไปเรื่อยๆเสื้อผ้านี่ไม่ยอมเปลี่ยนนะต้องมีคนทําให้แล้วอยู่ดีวันดีคืนดีเนี่ยบ้านพระคนชราเนี่ก็เปลี่ยนนโยบายใหม่ เอาตอนที่เป็นเนื้อบายเนี่ยนะคือแก่ลกัง ย, า ต, า ย, นะงยาตายแล้วนะกลังยตายแล้วนะเพราะว่าหงอยมากเนี่ยนะมันหมดเลี้ยวแลในการการอยู่ไม่รู้อยู่ไปทําไมอะ่ะก็รู้ทางไปก็มีก็เพลินช่วงนั้นเนี่ยเชสมันเริ่มมันเปลี่ยนเนื้บายผู้อำนวยการเนี่ยมีความคิดจะเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาซึ่งต้องต่อสู้กับกรรมการต่อสู้กับเทศบาลเพราะว่า เอาสัตว well ์เข้ามาเนี่ยมันไม่สะอาดเพราะกลัวสกปรกคนแก่ผู้คุ้มกันร่างกายมันแย่อยู่แล้วเนี่ยนะเอาสัตว์เข้ามาเช่นหมาแมวเนี่ยนะแล้วขี้อ่ะใครจะใครดูแลใครจะเช็ดขี้นะใครจะพามันไปออกไปเดินเล่นงานของเจ้าหน้าที่ก็หนักอยู่แล้วนะใครจะเลี้ยงนกร้อยตัวแต่ว่าในสุดเขาก็บอกว่าไม่ต้องจ้างใครเพิ่มหรอกเกาะเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละและให้คนใข้เนี่ยแหละเลี้ยง คนแก่คนนี้นะแกได้ได้นกนกหงอยงมาสองตัวตัวเล็กๆมาตั้งอยู่ในห้องทีแรกแกก็ไม่สนใจแต่วันต่อมาแกก็เริ่มขยับท่าขยับทางนั่งอยู่ในในมุมที่จะมองเห็นนกสองตัวนี้แล้ววันนึงแกก็เริ่มพูดแกไม่พูดเลยนะตลอดเวลาแกเริ่มพูดกับเจ้าหน้าที่กับพนัก ง, งานว่าให้ให้นกสองตัวนี้มันร้องทั้งวันเลยนะ หรือก็าพูดที่าเอ้ยมันชอบกินในนี่นะชอบกินแตงกวานะนะเริ่มมีชีวิตชีวาแล้วเริ่มกินอาหารนะและต่อไปเนี่ยนะเริ่มแต่งเนื้อแต่งตัวเองนะแต่ก่อนต้องมีคนแต่งให้พาไปอาบน้ำตอนนี้เริ่มขยับเคลื่อนเองแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็เดินออกไปข้างนอกหลังจากที่ไม่เคยออกไปเลยเนี่ยเป็นเดือน ออกไปข้างนอกในไปทาไมครับอาสาพาหมาไปจูงจูงหมาไปเดินเล่นตอนบ่ายสุดท้ายนะกลับมาเป็นปกตินะกลับบ้านได้คือเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยช่วยได้มากทีเดียวแต่มาก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ทราบวาคนไทยมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงแค่ไหนแต่ว่าน่าจะลองดูนะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยถ้าเป็นหมาเมิอมก็ต้องฝึกนะ แต่ว่าถ้าไม่ใช่หมาก็ให้เขาทำอะไรสักอย่างหนึง่งดูแลสัตว์เนี่ยน่าจะช่วยได้จะเป็นแมวจะเป็นหมาจะเป็นนกเนี่ยและช่วยช่วยคลายเครียดได้ด้วยนะมันมีมันมีมันมีบริการคลายเครียดนะในสันตว์ใ น, ในบริษัทบริษัทหลายแห่งเนี่ยที่พนัก ง, งานเครียดมากเนี่ย ก, ก็จะให้ให้ไปไป ไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงเช่นไก่น่ารักนกอะไรเนี่ยในสำนัก ง, งานหรือมีบริการหาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาให้ให้คนได้คลายเครียดด้วยการไปมีปฏิสัมพันธ์กับมันเลี้ยงมันอะไรเงี้ยคุยกับมันอะไรเงี้ยอันนี้คือตัวช่วยนะที่ช่วยดึงช่วยดึงจิตออกจากไอ้ความคิดและแล ะ, และอารมณ์ที่มันขังเราไว้ในไว้ในกรงนะ ถ้าไม่มีก็คงชี้ติไหมหรือไงผู้จัดว่ายังไง เดินเร็วเดินช้ามันไม่มีไม่มีสูตรสาเร็จรูปน ะ, ะบางคนเนี่ยเดินช้าเป็นเป็นเป็นปกติบางคนเดินเร็วเป็นปกติแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยสมมุติถ้าเดินเร็วเนี่ยให้เดินช้าสักหน่อยเพราะว่าโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยพอเดินเร็วมันจะฟุ้งได้ง่ายนะ แต่ถ้าคุณเดินช้ามากเนี่ยช่วจะเครียดเพราะว่าจะจิตมันจะเพ่งเข้ามานะ เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลองสังเกต ด, ดูสปีดของการเดินของเราเนี่ยเดินเดินแค่ไหนเนี่ยเราถึงจะรู้สึกว่เราเรู้สึกตัวดียกบือสร้างจังหวะก็เหมือนกันอนนี้เนี่ย เมแม้เรารู้ว่าส ป, ปิดของเราเนี่ยแค่ไหนแล้วในถึงจะพอ ด, ดีเนี่ยบางทีในบางช่วงบางขณะหล า, ายาต้องเดินเร็วถ้าเกิดว่ามันง่วงหรือเครียดไอ้ต้องเดินเร็วหน่อยบางคนบางครั้งไอ้ต้องเดินช้าลงถ้าเกิดรู้ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันฟุ้งมากนะคือการการการใช้ ความเร็วหรือช้าเนี่ยของกายเนี่ยนะของการเดินเนี่ยมันมีผลต่อต่อใจเหมือนกันนะเดินช้าฟุ้งน้อยแต่ถ้าช้ามากจะเครียดเดินเร็วฟุ้งง่ายใช่ไยมรรการเด ก, การก้มการการก้มการทอดสายตาก็มีผลถ้าทอดสายตาหรือก้มมากไปก็จะเครียดแต่ถ้า เมื่อลอยมองไปข้างหน้าก็จะฟุง้งง่ายๆนะคุณก็ต้องดูว่าแค่ไหนพอเหมาะท่อสายตาพอประมาณอาจจะสักสองเมตรอะไร่างนี้เป็นต้นถ้าสามเมตรออานี้อาจจะฟุ้งง่ายขอพวกนี้คุณต้องปรับเองนะแต่เราควยไม่เหมือนกันบางครั้งถ้ามันง่วงมากก็ไอต้องเดินไปในที่ที่มันโลง่โลงๆแต่ถ้าฟุ้งมากเนี่ยเนื่องจากอยู่ในที่โลง่งไอต้อง ไปเปลี่ยนที่เดิมมาเป็นที่ที่มันมันแคบหน่อยนะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องวิธีการรับมือการจัดการกับอิวรณ์นะการจัดการกับอารมณ์นะเราต้องเราต้องมีวิธีของเราเองนะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันรู้ได้จากประสบการณ์การปฏิบัตินะ และต่อไปเนี่ยคต่อไปเนี่ยก็อาจจะความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพวุชงเจตเนี่ยจะช่วยได้นะในเรื่องการปฏิบัติหมายความว่าไงคือพวุชงเจตนะก็เช่นเดียวกับอินทรีย์ห้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองมันจะเป็นแบ่งเป็นสองหมวดหมวดห น, นึ่งเนี่ยเป็นหมวดที่ ทำให้ใจสงบได้ง่ายเช่นปัสสัิสมาธิอุเบกขาพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ใจสงบ อ, อ, อ, อีกกลุ่มนึงเนี่ยมันช่วยทําให้ใจเนี่ยกระตือรือร้นเช่นปิติวิริยะธรรมวิรยะนะพวกชงเจ็นี้พวกเรารู้นะมันมีเจข้อเนี่ยจะมีอยู่มันจะมี2สองหมวดหมวดหนึ่งหมวดจะเทำให้ช้านะ ปัสตทอุเบกขาสมาธิหมวนหนึ่งช่วยกระตุน้นนะเหมือนกับเป็นตัวคันเร่งนะอันนึงเยบเบรคอย่างอันนีเป็นคันเร่งนะวิริยะปิติแล้วก็ธรรมวิทยะส่วนสติอยู่กลางกลางพูะเจ้าตัดว่าเวลาใจฟุ้งซ่านเนี่ ย, อ ย, อ, ย, อ, ยอย่าไปเติมวิริยะเข้าไป อย่าไปเติมธรรมวิจิตรเข้าไปนะหรือปิดติเข้าไปเพราะว่ามันจะยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่ต้องเอาธรรมวิจิตรส่วนที่มันเป็นตัวชลอตัวตัวสงบสมาธินะตัวปัจ ส, สถานุเบขาเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยนะนะเวลาเวล า, วลาแต่ถ้าเวลาสงบแล้วมันหงอยหงอยนะไปเติมสมาธิเข้าไปยิ่งหงอยเข้าไปใหญ่ต้องเติมวิรยิยะนะ เติมปิตินะเติรรมความวิญาเข้าไปนะธรรมะเนี่ยนะมันต้องใช้ถุกกรณีนะเวลาไหนงอยเนี่ยถ้าสมาธิเนี่ยแย่เลยสมาธิมันงอยเข้าไปใหญ่ความพอดีสำคัญแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ใช้ได้ในทุกกรณีนั่นคือสติสตินี่ไม่ว่าจะงอย ไม่ว่าจะฟุ้งซ่านเนี่ยสติได้ทั้งนั้นได้ทั้งสองกรณีนะอันนี้ผมก็ต้องเอามาเอามาใช้ให้เป็นนะเพื่อจะทำให้เกิดความสมดุลในการปฏิบัติธรรมถ้าอาจารย์แล้วเวลาเราเจ็บปวยต่างๆเนี่ยในเวทณาที่มันเกิดขึ้นนี้เราควรจะมองดูหรือว่าเราจะเอาใจไปวางที่ลมหายใจครับไม่หมายถ้า ถ้าเป็นป็นผู้ฝึกหม่ธรรมาไม่แนะนําให้ไปดูเวทนานะให้ให้ใช้สมาธิก็ได้ให้ใช้สมาธิมามามาอยู่กับลมหายใจเอาจิตมีกับลมหายใจนะหรือว่ามาอยู่กับอย่างอื่นเช่นการสวดมนต์มาอยู่กับการระ ล, ลึกถึงพระ เ, เจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธามนุสติธรรมานุสติสังขารนุสตินะในกรณีที่มันเอาไม่อยู่จริงๆครับมันมเวทนาน้อหนามาก มาว่าอะไรเอาไม่อยู่สมาธิเอาไม่อยู่ เ, เวทนาที่มันเกิดขึ้นนี่มันรุนแรงมากเหมือนเหมือนกับว่ามีเวลาอยู่ไม่นานแล้วจะเสียชีวิตแล้วความเจ็บปวดที่มันทุกเวทนานี่มันรุนแรงมากควรจะวางใจอย่างไรดีครับตอนนั้นคือถ้ายาไม่เอาไม่อยู่นะก็มีทางเดียวก็คือต้องใช้ใจสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวสมาธิจะเป็นตัวช่วยได้ได้ดีนะอัตมาจะอีกตัวนึงนะั่นคือศรัทธาอัตมาจะยุตัิยานนะ คุณหมอมาาเนี่ยเคไปเยี่ยมผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ที่40กวา่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายลามไปถึงกระดูกแล้วนอนไม่ได้นะต้องนั่งนั่งแล้วงองกองเอาข็มตอนที่ไปเยี่ยมเนี่ยปวดมากนะเหงื่อเนี่ยไม่ดโตโตเลยตัวนิสีต 4. ให้หมอฟีแล้วนะทุกสามชั่วโมงแต่แกบอกไม่ไหวขอทุกชั่วโมงหมอให้ไม่ได้ใช่หฮะเพราะมันไปกดการหายใจสามชั่วโมงต่อครั้งนี้ก็เต็มที่แนละ้ว คุณหมอเมื่อก็ถามก็เลยสงสารก็เลยเห็นใจก็เลยถามว่าเคยทําสมาธิไหมบอกไม่เคยนั้นคุณหมอแกก็แนะนําหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทีแรกก็เนื้อคนไข้เนี่ยผมทำไม่ได้หรอกห้านาทีคนธรรมดาในห้านาทีก็ยังกระสับกระส่ายอต่นี่เวทนามีความปวดมากแต่พอห้านาทีผ่านไปแกก็ยังนั่ง 10นาทีผ่านไปแกก็ยังนั่งและยิ่งนั่งก็ยิ่งดีขึ้นจนกระทั่งเนี่ยตัวเนี่ยหลังตรงแต่ว่าผ่อนคลายนะพอพกก็เแก น, นั่ถึงหินาทีลืมตาขึ้นมาในแกเบิกบานเห็นได้ชัดว่าความปวดนี่ทุเลาลงนะเหงื่อเนี่ยหายไปแล้ะป่าเป็นสีชมพูเลือดลงไหลเวียนดีคุณหมอเมื่อเราก็แปลกใจ เจ้าตัวก็แปลกใจเจ้าตัวแปลกใจว่าโหสมาธิมันช่วยได้ขนาดนี้เหรอคุณหมอเราก็แปลกใจแกไม่เคยนั่งสมาธิแกทําได้ยังไงแกก็ตอบว่าแกมีสมาธิทำ ง, งานแกคงทํางานเยอะมีสมาธิทำ ง, งานเอาสมาธิมาใช้กลมหายใจมันก็ตัวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสมาธิเอาอยู่ไหมเอาอยู่นะะมันอยู่ที่ว่าเราจะมีสมาธิพอหรือเปล่าเพราะว่าสมาธิเอาอยู่ได้ไงเพราะว่าประการแรกเนี่ยหนึ่ง พอเจอเราในที่ลมหายใจใช่ไหมมันก็จะลืมปวดคือเวลาเราปวดเนี่ยแน่นอนคือปวดกายแต่ที่เป็นทุกข์มากเนี่ยคือใจมันปวดเพราะใจมันไปยึดเอาความปวดของกายมาเป็นความปวดของกูนะใจเนี่ยมันเป็นความปวดเราไม่ชอบนะแต่พอไม่มีสติใจก็จะไปยึดความปวดนะทั้งที่มันเป็นทุกข์มันก็ยังยึด มันก็ยิ่งปวดปวดคูณสองคูณสามแต่คนนี้พอเอาใจเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็จะวางความโกรธลงเอ้มันก็จะวางความปวดลงใช่ไหมเพราะใจเนี่ยมันมีมือเดียวนะสมมติว่ามันมีมันมีคือความปวดใช่ไหมถ้ามันจะไปอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยเอาใจอยู่ที่ลมหายใจมันก็ต้องวางเนี่ยแล้วจับที่ลมหายใจมันต้องวางความปวดนะเพราะมันมีมือเดียวนะจิตเนี่ยนะ ถ้ามันอยู่ที่ลมหายใจก็ต้องวางแต่ส่วนใหญ่ทำไมบางคนทำไมบางคนบอกว่าทําไมมีอยู่กับลมหายจมีสมาธิหรืลมหายใจทำไมยังปวดอยู่เพราะว่ามันอยู่แป๊บเดียวแล้วมันไปจับมาับแล้วทันทวินาทีวินาทีนึงมันทํากี่หมื่นครั้งเ่ยจิตเนี่ยมันเกิดดําเนี่ยเขาว่านะแสนแสนโกดก็คือล้านล้านครั้งต่อวินาทีแล้นบอกบอกว่าทาไมมีสมาธิแล้วเนี่ยทำไมยังปวดอยู่เพราะอย่างนี้แหละเพราะมัน มสมาธิได้เดียวๆถ้ามันวางมันก็ จ, จับรละความปวดแล้วเราก็ไปจับที่ลมหายใจต้องไปจับที่ความปวดใหม่เนี่ยแต่คทีนี้ถ้ามันจับหรืออยู่กับลมหายใจได้นานๆเนี่ยเราก็จะมีความสบายคลายความปวดได้อย่างต่อเนื่องคราวนี้เนี่ยออนอกจอากลืมปวดแล้วเนี่ยข้อดีของสมาธิก็คือว่ามันทําให้พอจิตสงบแล้วเนี่ยมันจะหลั่งสารบางตัวออกมาที่ช่วยบรรเทาความปวดได้ มันทาความปวดกายสมาธิไม่ทําให้ปวดไม่ไม่เพียงแต่ทำให้หายปวดใจแต่ยังทำให้ความปวดกายลดลงพ่อยมีสารบางตัวหนังออกมานะอันนี้คือประโยชน์ของสมาธิในเรื่องการละมือ่อเวทนาความปวดอันหนึ่งคือศรัทธามีคุณมีคยนแกนเป็นมะเร็งลําไส้ก็แก่ก็บดแล้วปวดมากแกอยู่โรงพยาบาลของรักวัึงพยาบาลไปเยี่ยมช่วงที่แกปวดเนี่ย กปวดตจนร้องครางนะพยาบาลก็ถามแต่ถานท่านีาน่ถามว่าปวดกี่คะแนนพยาบาลถามว่ายายชีวิตที่ทำอะไรแ ล, แล้วมีความสุขมากที่สุดถามเรื่องความสุขยายก็ตอบว่าหลออพระแก่เคยหลออพระเมื่อสิกว่าปีก่อนแกประทับใจแกรสุกปาบเพื่อมีปิติมากพยาบาลก็เลยถือโอกาสชวนถามเลยยายจําได้ไหมวันนั้นยายใส่เสื้อเสียอะไรนุ่งผ้าเสียอะไรแกจาได้หมด พยาบาลก็เลยชวนคุยแกพาแกไปแล้วลึกถึงความทรงจนในอดีตที่งดงามที่น่าปราบปลืม้มนะคุยประมาณสิบยี่สิบนาทีคุยเสร็จแกก็พูดึ้นมาหมอหมอเริญพยาบาลหมอมัน แ, แปลงนะมันหายปวดไปเยอะเลยนะก็เหมือนกันนะพอพอจิตมาไปอยู่ที่ประสบการณ์เรื่องหลอ่อพลานเนี่ยนะมันก็วางความปวดะตอนนั้นจิตมีสมาธิ สมาธินั้นเกิดจากศรัทธาผู้เจ้าตรัสว่าศรัทธาทําให้เกิดปราโมทปราโมทคือความเบิกบานใจปราโมททาให้เกิดปิติอีกเอิบใจปิติทําให้เกิดปัสสัทธิความผ่อนคลายกายและใจและทําให้เกิดสุขศรัทธาทําให้เกิดสุขงั้นเราศรัทธาเรื่องอะไรก็ตามเท่าไรใจเราดิ่งอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดสุขตามมาและนําไปสู่สมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีเวทนาทำยังไงเนี่ย ก้อนนี่แหละอย่างน้อยสองตัวนะที่จริงมีมากกว่า น, นี้แต่แต่มา อ, อไม่มีเวลาอธิบายการที่เราเจริญสติทุกวันทุกวันนี้ช่วยได้ใช่ไหมครับช่วยได้มีคนหนึ่งแกก็เป็นมะเร็งลำไส้แกก็ปวดมากนะแล้วแกบอกว่าเนี่ยแกเจริญสติอยู่บ้างแกก็บอกว่าเนี่ยแกอธิบายแล้วเนี่ยสติมันดึงจิตไว้ที่หัวไหล่มาดูความปวดที่ท้องท้องยังปวดอยู่แต่ใจไม่ปวดแล้ว แต่พอเพอสติจมันเข้าไปอยู่กับกายเมื่ อ, อไหร่ปวดทันทีเลยสติมันเป็นตัวดึงจิตให้ออกมาเป็นผู้ดูผู้เห็นไม่เข้าไปเป็นก็ช่วยได้แต่คนที่จะใช้สติดูเวทนาเนี่ยมันยากนะการเอาจิตเนี่ยหันหลังให้กับเวทนาวางเวทนาแล้วมาอยู่กับอะไรบางอย่างที่ชวนจดจออันนี้ทำได้ง่ายกว่า มีคำถามครับคุณพ่อครับมีถามตอนนี้ยงมีมาขาหรืออนะฮะตอนนี้มีภาวะที่ว่าไม่สุขไม่พุกแต่เฉยเฉยที่มีคุนและเยเฉยนะฮะข้ อ, อสอนะครับผมมีเหตุการณ์่างอย่างเช่นผมตอกกระปูอยูะะ่เฉยเนี่ยตอกพุ่มตอกอยกตัวนิ้วนะฮะปุบ ผมถือว่ากายผมเห็นมันเจ็บนะฮะแต่ผมไม่เจ็บตามแต่ว่ามันเยี้ยงถกงแกวไปเปลือกที่เบลร์กชินเลยอย่างนี้ผ ม, มไปถึงขั้นตอนไหนบ้างครับแล้วไฟสับที่ผ่านมานะครับผมนอนตอนนอนเนี่ยจะเจอความทุกข์ทรมากกนการนอนมากตะตกนลูกพานตัวเองความทุกข์ของนิสซ่าพอผมศึกษาบ้างปุ๊บมันมีอาการปิดอวางเรียนอนนะมันไม่มีลาภเน้าความทุกข์ในในกายเราเลย ที่เรียบหน่อยเราชอบใบสับผักฟังรุ่มนของที่นอนความสุขุกแต่้าคหลังผมเสียเรามันมันสงบประหารจนเสียงหมาเหาาข้างๆบ้านที่คุณเล่าไปเนี่ยมันหายจังหาเจอย่างนี้ผลเป็นไบ้านครับแล้วข้อสุดท้ายนะฮะขอเนี่ยนะครับผมพยายามกดขมในสิ่ท่าที่ผูกป่นใอนอตเวนผาสิ่งกฎบรรไว้ฮะคือเราพยายามทางานเราทางานเนี่ย ต้องกระทบกับคนหลายคนเมื่อเรื่องโกหกเพิ่มพูดเท็จคือเกถียรเรื่องของคดีกว่ามพวกนี้ครับมันมันกดข่มตัวเองผมพยายามทำบอกเองว่าขอสุรรวันนี้มาให้เป็นธรรมชาติของชีวิตเราเองเนี้ยข้อเนี้ผมถามว่าคุณคุณทําตัวเองบ้างเพื่อไม่มีกดข่มตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้ต้องติด15นะให้เป็นธรรมชาติของตัวเองโดยไมย่ติด15เนี้ยครับมีบิดคอข้อแรกเนี่ยเฉยๆเนี่ยแล้วรู้สึกยังไงความเฉยๆ เฉคือไอ้เราก็รู้ว่าเป็นธรรมชาตินะไม่กอาลังถามว่ารู้สึกยังไงกับความเฉยๆที่เกิดขึ้นหัวใจเต้นปกติยังอารมณ์รู้สึกเฉยๆใช่กับความเฉยๆใช่มโอเคก็ดีแล้วก็ไม่เป็นปัญหาไงถ้าถ้าเทียบเป็นปัญหาก็แสดงว่ายังรู้สึกคือถ้ามันไม่เป็นปัญหาก็เฉยๆนี่ก็ดีแล้วโอเคก็ไม่ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาก็ ก็โอเคแล้วล่ะแต่บางคนเนี่ยเฉยๆก็เป็นปัญหาเพราะว่าอยากจะให้มันมีสีสันใช่ไหมตรงนี้แหละปัญหาไม่อยู่ที่ความเฉยๆป็นอยู่ที่ว่าใจไม่ชอบความเฉยๆไอ้ตรงนี้ต้องไปแก้ตรงนี้ไม่ใช่ไปแก้ความเฉยๆไปแก้ว่าทำางให้ใจเนี่ยมันเป็นปกติกับความเฉยๆใช่ไหมถ้าคุณรู้สึกเฉยๆกับความเฉยๆนี่ก็ดีแล้ว นะข้อที่สองก็ไอการที่ใจไม่รู้สึกเจ็บเนี่ยมันเป็นมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นบ่อยๆมั้ยหรือเป็นครั้งคราวมันมันบ่อยมากเรื่อยๆครมันเหมือนว่าบางครั้งเนี่ยมันเห็นคนคนหนึ่งเหมือนเราไม่ออกกลางกายนะผมเช้ามิบอนเช้าวิวปุ๊บเราเห็นตั้งแต่เราขึ้นบ่อเรื่อยๆบางครั้งรู้เลยว่างครั้ชาบ้างบางครั้งเราสนใจแต่ข้างหน้าที่ผ่าน um, อะไรเราไม่สนใจเราแค่ทําอหน้า uh, ท <entrepreneur |id|>. ี่ของเรา ที่แนมือเนี <somehow. Nice. S 1> ่ยว mm. ิ่งออกอากวิปดูดูกาคลื่หวดูหัวใจเตหวใจเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหัวใจเต้นไ่ดีอยู่แล้วนี่ะมือเจ็บนี่กเกิดเป็นเจ็บมาเเจ็นก็แสดงว่ามีสติมีสติมากพอที่จะทาให้ใจไม่ไปยึดกับใจไม่ปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้เจ็บใเพราะตัวกูมันเกิดขึ้นเมื่อใจไม่มีเมื่อไม่มีสติเมื่อไม่มีสติก็เกิดความหลง เม ah, ื่อไม่รู้สึกตัวก็เกิดความหลงเมื่อหลงแล้วเนี่ยมันก็ปลุ่งตัวกูขึ้นมาตอนนี้พอมีตัวกูขึ้นมามันก็เป็นพูดเจ็บแต่อนนี้เนี่ยถ้าคุณมีสตินะไอการที่ไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูพูดเจ็บนี่ก็แสดงว่ามันมันไม่มีการปรุงตัวกูขึ้นมาเพราะตัวกูเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นครั้งคราวอันนี้เมื่อไม่มีตัวกูเป็นพูดเจ็บเนี่ยก็แสดงว่าตอนนั้นมีสติมีความรู้สึกตัวก็ดีแล้วนะสติก็ทํางานได้ได้ดีนะ และต่อเนื่องจนกระทั่งมันไม่มีตัวกลัวขึ้นมาใหนก็จะต้อนเข้าใจว่าตัวกลัวมันไม่ได้มีจริงนะมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในใจเหมือนกับเทศธรรมายุตัวอย่างคําว่ากบเนี่ยกอไก่กับบอใบไม้เนี่ยมันก็ไม่มีความมันก็ไม่มีความหมายในตัวมันเองเท่าไหร่แต่พอมาบวกกันเนี่ยเราก็นึกถึงกบขึ้นมาเราสร้างภาพกบขึ้นมาในใจนะเาจมาเปรียบเทียบง่ายๆความรู้สึกตัวกลัวมันก็เกิดขึ้นมาแบบการปรุงแต่งมันเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งขึ้นมาในใจสร้างภาพขึ้นมาในใจ แต่มันไม่มีจริงและที่มันปุกลก็เพราะไม่มีไม่มีสติเนี่ยความรู้สึกตัวโอเคก็อสามเรื่องเรื่องเรื่องศีลใช่ไหมเอ่อคือตระมาคิดว่ากฎคมยัไม่พอนะต้องสร้างฉันทะฉันทะว่าศีลมีประโยชน์อย่างไรนะถ้าเรามีศีลเนี่ยนะมันจะมีความสุขจะไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ ถ้าเราผิดศีลเนี่ยนะอาจจะประสบความสำเร็จเฉพาะหน้าแต่ว่ามันก็จะเกิดวิบากเกิดผลเสียตามมาซึ่งมักจะไม่คุ้มกับผลได้ระยะสั้นที่เกิดขึ้นอันน้ว่ายุติอย่างเช่นไม่ใช่กรณงคุณยกตัวอย่างเช่นอาโกงเงินเขาหรือว่าเบี้ยวเงินเขาเนี่ยร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสหนึ่งเนี่ยนะแต่ว่า วันหน้าไอต้องชดใช้และเวลาชดใช้เนี่ยนะมันมากกว่าไอหมือรล้านเนี่ยหลายเท่าการชดใช้เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าติดคุกติดตรางใช่เสียชื่อเสียงซึ่งทำให้สูญเสียโอกาสในการที่จะหาเงินหาทองเนี่ยนะมากมายหลายเท่ามากกว่าไอเงินที่โกงไปหรืออาจจะหมายถึงไปชดใช้ในอนาคตหมายถึงว่าอาจจะเกิด ถูกกงในวันข้งหน้าถูกกงเปหลายล้านเลยหรือว่าไปถูกโกงในครบหน้าในชา้นหน้าเนี่ยนะก็ได้นะอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องวิบากเนี่ยมันเราพูดเราเราไม่สามารถจะบอกล่วงหน้าได้ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนแต่ผู้สูงคือว่าถ้าเราเห็นว่าเมื่อผิดศีลแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์ชั่วคราวแต่ว่าผลเสียมันยืดยาวแล้วก็ไม่คุ้มกับผลได้ที่เราที่ได้มาเนี่ย เราก็จะเลือกทําเองคือเราเห็นโทษของมันนะมันไม่ได้ต้องกดขบเลยเพราะว่าเราเห็นเราเห็นเรนะืนองโอกาสรักษาศีดนี่มันดีนะคนเราบางทีต้องเลือกระหว่างธรรมะกับทรัพย์นะคนส่วนให ญ, ญ่เนี่ยเลือกทําเลือกทซับมากกว่าธรรม ะ, รรมะนะแต่ถ้าเราเห็นว่าเมื่อถึงเวลาต้องเลือกเราต้องเลือกเลือกธรรมะเสมอเนี่ยนะเพราะผลได้ผลประโยชน์เนี่ยมันมันมากมายหลายเท่ากับการกับทรับเนี่ยนะ เราเราก็จะเราก็จะเราก็พร้อมที่จะรักษาศีลมันเกิดความสมัครใจเพราะเห็นประโยชน์เพราะเห็นว่ามันคุ้มกว่านะคุณต้องเห็นว่ามันคุ้มกว่านะแต่ถ้าคุณมองว่ารักษาศีลแล้วนี่นะมันขาดทุนนะคุณก็ต้องใช้วิธีกดคนอย่างเดียวอะหรือไม่ใช่ท่านคุณก็เลิกทําถ้าคุณเห็นว่านี่รักษาศีล น, นี่มันปฏิบัติทันมันคุ้มกว่าการที่ไม่รักษาศีล น, นะไอความคุ้มนี่นะ ไม่ได้หมายถึงตัวเงินอย่างเดียวนะหมายถึงสิ่งที่ไปนํามาทําชื่อเสียงความสุขรวมทั้งอาจจะถึงว่าลิพทานเลยก็ได้เห็นไหมลิพทานเนี่ยโห ม, มันไม่ใช่เงินที่จะซื้อได้ถ้าคุณคิดแบบนี้นะคุณก็ยอมนะเพราะว่าสิ่งที่เสียไปมันก็จิบจ้อยมันก็เฉพาะหน้าแต่ว่าผลได้มันยั่งยืนระยะยาวกว่าลองคิดแบบนี้เลยนะพอสุดท้ายนอนนะเมื่อก่อนนี้ตรงอยู่กองความกังวลในการนอน ปั่เพื่อฝันตามจินตนาการความคิดีิเข้ามาเป็นการลอกขึ้นเนี่ยนะฮะพอพักหลังเนี่ยผมเดี๋ยไปลากเน่าความทุกนี่ยพอแอนนอนอยู่เนี่ห้าสึกว่ามันสงบนิ่งสบายเบาเพราะว่านตอนเช้าตื่นมาตอนตีสี่กว่ากันั่งสมาธิจะนี่นีะฮะพอพักหลังนี้เฮ้ยหลับตึกปีก่อนนอนนอนตายฮะครัึกนอนตายตึกผมเป็นสงบยังไงก็ไม่รู้จนแบบมันเงียบนะฮะเงียบจน เราอยู่ทหนแน่อนกลาง่ัก็หลับไปเลยตอนชามก็สดที่นตื่นสบายนี่ครับคาถามคืออะไรถามว่าอย่างนี้จะมาถูกทางไหมครับอ๋อถูกทางเลยทำแล้วสบายกุศลธรรมเกิดนะกุศลธรรมไม่เกิดเนี่ยถูกทางตรงนั้นแหละใช่ไหปฏิบัติทรามมาปฏิบัติธรรเสร็จแล้วกุศลธรรมอกุศลธรรมที่มีอยู่หายไปหรือว่าไม่เกิดขึ้นทำแล้วโปร่งมาสบายถูกทางทำแล้วเครียดทำแล้วหมุดหมืดทําแล้ว เออหนักเนี้ยอันเนี้ยผิดแล้วเนี่ยอ้นที่คุณพูดมานี่ก็แสดงว่าทำถูกทางแล้วคงเท่านี้นะหนังสือที่แจกนะมีหนังสือเรื่องชื่อสมุดเบาใจนะเออก็ลองไปอ่านดูนะมันเป็นตัวช่วยทำให้เวลาเราเจ็บป่วยไม่รู้สึกตัวไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอ ง, องปัญหามันจะน้อย คนทุกวันนี้เนี่ยนะสร้างพาล่าให้กับครอบครัวและตัวเองมากเพราะว่าไอตอนป่วยหนักเนี่ยไม่เคยบอกเลยว่าอะไรที่อยากให้ทําอะไรที่ไม่อยากให้ทําพอป่วยหนักโคมา่าแล้วก็หมอก็ต้องเจาะค อ, อหมอก็ต้องปั้ม hm, หัวใจหมอก็ต้องทำหลายๆต่อหลายอย่างซึ่งเจ้าตัวเองผมไม่ชอบและลูกหลานก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าไม่ได้แสดงเจตจำนงเอาไว้นบางทีลู ก, ก, กหลานก็ทะเลาะกันลูกหลานบางคนบอกว่า ให้แม่ไปสบายเธออีกคนบอกต้องยื้ อ, อไว้นะบางคนบอกว่าปั๊าปั๊าแม่ทรมานแล้วจ่อคอใอส่ท่อมทรมานมันก็บอกให้ได้แม่เราจะต้องยือ้อลูกหลานบางที่ลูกทะเลาะ ก, กันก็เพราะว่าเจ้ตัวคนป่วยนีย้ไม่เคยบอกเลยว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรดังนั้นะเนี่ยลองเอาไปคิดดูไปอ่านดูนะมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยนะหนึ่งเวลาป่วยหนักนะการทะเลาะบบาแวงกันในครอบครัว พูดูแลน้อยลงสองเราเจ็บตัวน้อยลงแล้วก็อาจจะช่วยลดหนี้สินนะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะบ้านต้องขายที่นะเพื่อยื้่พ่อแม่ที่ป่วยเป็นสิบปีโดยที่คนป่วยก็ไม่ได้ป่าถนาเลยแล้วทรมายตังหานะเป็นปัญหาหลายครอบครัวมากอันนี้คือช่วงป่วยสองเวลาจะตายก็จะไต้ตายสบายเพราะว่าได้สั่งเซออะไรเอาไว้ล่วงหน้า นะม่นมีรายละเอียดเยอะนะก็ลองเอาไปอ่านดูแล้วก็เรื่องวันนี้เนี่ยทำแล้วเนี่ยก็ต้องฝึกต้องคุยกับลูกหลานคุยกับพ่อแม่เป็นการปรึกษาหารือกันนะมันจะช่วยทําให้เกิดความพร้อมเพรียงเกิดความเกิดความเข้าใจฉั้นเวลาป่วยก็จะป่วยแบบไม่ทรมานมากเวลาตายก็ตา ย, ยางสงบได้แล้วก็สมาพันธ์ขอยุติเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ จเจริญ น, นะในการปฏิบัติธรรมให้สติได้องอกงามให้ความสึกตัวได้ฟั่งพร้อมเพื่อช่วยทําให้นะจิตใจมีความสงบและช่วยทําให้เกิดปัญญานะพาจิออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพันิพาณไปที่หมายด้งกันทุกคนนะเชิญเขาขวากถวายอาจารย์ยามุชานะครับที่โอกาทุกคนได้ร่วมกันใส่ส่อง